มาจากที่ไหนกันบ้างัะกรุงเทพการมาครัไม่เคยเลยครับแล้วทราบว่าที่นี่มีที่นี่ได้อย่างไงได้ยินเสียงพระอาจารย์จากซีดีที่มีญาติโยมไปวางไว้ที่สวนแสงธรรมครับไปสวนแสงธรรมอยู่นะครับผมในสมัยที่หลวงตาอยู่ได้ยไ ป, ป ไม่เคยเลยคนบากน้ำไม่เคยเคยแต่บนว่าญาติโยมไปจอดรถเกกามากอ่านอยู่แถวนั้นระครับถ้าเขาเกตการ์ดเขาเกการตอนนี้กลายเป็นโยมเกตกาไม่เห็นไม่เห็นค่าของสิ่งที่มีค่า เพิงตาสว่างใช่สวา่วสวางที่อนะไรสว่างที่ใจครับทำางไงนถึงสว่างมั้มีอะไรไปทำให้มันสว่างนะก็เสียงดวงตามาบววเสียงพระอาจารย์สุชาติที่ได้ยินใครไนะไปเปิดเสีย ง, งเฟนะังครับฟังตลอดเวลาที่ขับรถ ฟางพระาจารย์ได <Ờ> ้หลายสัปดาห์ซ้ <ả> ําแล้วซ้ำอีกแล้วเป็นยัไงสว่างขึ้นอสว่างกันไหนสว่างแบบแบบมั่นใจสงบครับอมั่นใจในอะไรมั่นใจในอะไรภาณัลภาณั ในที่พระอาจารย์เรียกว่าอินทรีย์ครับศรัทธาวิริยตรสติสมาธิปัญญาคงถอไม่ได้ครับเลยอยางเอากับมากับพระอาจารย์คุณเจดได้พบได้กรับผลาญเป็นไม่สงสัยในพระพระธรรมพระสงม์นั่นแหะไม่สงสัยในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่สงสัยว่าถ้าได้ปฏิบัติตามก็จะได้ผลอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงไดนะ้นัมเป็นวิทยาศาสตร์ศา ส, สนาพูให้เป็นเป็นวิทยาศาสตร์คือเป็นเหตุเป็นผลไม่ได้เป็น ความเชื่ อ, มองมงายเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้คำสอนของพระพุทธเจ้าทุกคำสอนนี้เป็นความจริงใช่างั้นเปียแต่ว่ามันเป็นความจริงที่พวกเราที่ยังตามเมื่ดหมดอยู่ไม่สามารถมองเห็นได้แต่ถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อแล้วเรานำเอาไปปฏิบัติ เราก็จะเห็นขึ้นไปตามลำดับเพราะการปฏิบัติจะเปิดตาของเราให้เห็นสิ่งตา่ตางๆแบบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นตาของเราตอนนี้มันบอดตาในตานอกนี่าว่างดวงตาทางร่างกายนี้เราเห็นหมดทุกอย่าง แต่เห็นว่าเห็นแต่ของที่ทำมาจากดินน้ําลงไปเห็นต้นไม้เห็นวกเขาเห็นทะเลเห็นอะไรต่างๆนี่คือความสามารถของตาของร่างกายแต่เสิ่งที่นํามองไม่เห็นสิ่งที่ตาของร่างกายมองไม่เห็นก็คือ แนื่องของเงนของบาทเรื่องของการเรียนไหว้ตายเกิดเรื่องของการลดทนออกจากการเรียนว่าตายเกิดเรื่องของความสุขเรื่องของความทุกข์ของใจอันนี้ตาของร่างกายไม่สามารถมองเห็นได้ ถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนามาสอนวิธีเปิดตาในเราก็จะไม่เห็นสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงรูง้ทรงเห็นเราก็อาจจะปฏิเสธไปแบบคนที่เขาปฏิเสธกันเพราะเมื่อเขาไม่เห็นเขาก็เลยไม่เชื่อว่ามีจริง ตรงที่ปฏิเสธนรกปฏิเสธสวรรค์ปฏิเสธการเวียนว่ายตายเกิดปฏิเสธความสุขความทุกข์ของตน ว, ว่าเกิดจากเหตุที่มีอยู่ในตัวของตนเองเพราะเขามองไม่เห็นสิ่งเหล่า น, นี้เขาก็เลยไปมองคนที่เห็นสิ่งเหล่า น, นี้หรือคนที่เชื่อ คนได้เห็นสิ่งอันนี้ว่าเป็นโวกงมงายอันนี้ก็เป็นอุปสรรคมสำคัญที่ทำให้มนุษย์เราใ น, นส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นได้เพราะ ความไม่เชื่อไม่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงทำให้ปฏิเสธไม่รับความจริงเหล่านี้กืายเป็นที่น่าเสียดายเพราะการที่ได้มาพบ ก, กับคำสอนอันเลออันประเสริฐของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นของที่หายากมากไม่ได้เป็นของที่จะหาได้งา่ายยากยิ่งกว่างานางมเข็มในหาสมุดดูด้ขนาดเครื่องบินทั้งหลังตกไปในทะเลทำบอลลูน เ, เท่าอย่งหาจะไม่ได้ะ แ, แล้วเข็มนี่จะหาได้ไหมเข็ม <c oughs> <c oughs> เล็กๆ เ, เนี่ยอันนี้แหละการที่เราได้มาพบ ก, กับพระพุทธศาสนานี่มันยากมีกว่าการงนเข็มในมาหาสมุทรเป็นหลายร้อยหลายพันเท่าง ม, มเข็มในมาหาสมุทรหลับตาง ม, ม, มยังจะง่ายกว่าการที่ได้มาพบ ก, กับพระพุทธศาสนารั้นแล้วก็คุณค่าของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ยิ่งใหญ่กว่า เพชรอิจินดาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้คุณประโยชน์แก่จิตใจของพวกเราได้เท่ากับพระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากายได้มีดวงตาเห็นธรรมแล้ววันนั้นเหมือนได้เพชรน้ำหนึ่งเพชรที่มีคุณค่าราคา ยิ่งกว่าเพศต่างๆที่มีในโลกนี้เพราะจะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำให้พรกเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้พบกับความสุขที่ถาวร ตอนนี้พวกเราได้อย่างมากก็แค่ดับทุกชั่วครั้งชั่วคราวได้ความสุขเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ดับทุกไปวันนี้เดี๋ยวพุ่นี้ก็กลับมาใหม่หาความสุขวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หายไปมองหายมาเติมอยู่เรื่อยนี่คือความแตกต่างระหว่าง สิ่งต่าง ๆ, ๆที่มีในโลกนี้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าลองได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วนี่เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหมดใจเราจะไม่ทุกข์อีกต่อไปจะไม่มีความวิตกกังวลไม่มีความว้าเหวเศร้าหมอง ไม่มีความโหยยไม่มีความเสียใจไม่มีความเศร้าโศกไม่มีความเครียดไม่มีความกมังวลอาการที่ไม่ดีต่างๆที่มีอยู่ในใจเรานี้จะหายไปหมดใจนี้จจเย็นจะสบายไปตลอด น, นี้เป็นสิ่งที่พวกเรามีโอกาสจะได้เป็นสมบัติของพวกเราแต่พวกเราต้องข่อยคว้าสมบัติมาแล้วแต่เราต้องขวอยคว้าเอหอมือนกับผลไม้ที่อยู่บนต้นไม้มีผลไม้ออกมาแต่ต้องเปลียนขึ้นไปไม่เปลียนขึ้นไปเลยเพราะเปลียนเป็ น, นปเอาวก่อนเดี๋ยวพวกเรียนมาเอาไปก่อน สิ่งที่จะทำให้พวกเราขวยคว้าได้ก็คือ N45 ของพวกเราอันนี้พวกเรามี N45 อ, อยู่ในใจของเราที่พวกเราจะเอามาพัฒนาให้เป็นพระห้างขึง้นอันนี้เรามีศรัทธาแต่ยังเป็นศรัทธาที่ไม่ ไม่ไม่เสียงกายยังไม่แน่นอนอาจจะเสื่อมได้เพราะว่ายังเป็นศรัท ธ, ธาแบบเริ่มต้นศรัท ธ, ธาเพราะเชื่อแต่ยังไม่ได้เห็นด้วยตัวเองต้องเห็นด้วยตัวเองแล้วศรัท ธ, ธาก็จะเป็นศรัท ธ, ธาที่แน่วแน่มั่นคง อย่างที่วราณเขาว่าสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเหนะ็นได้ยินมาสิบปากแล้วเชื่อเชื่อแต่ยังไม่ไแน่ใจว่า mm hmm. มันมันเป็นยังไงกันนะ่พอให้ได้เห็นเพียงครั้งเดียวนะี่หายสงสัยเชื sure, 100่อร้อยเปอร์เซ็นเชื่อแบบไม่มีวันเสื่อมคายเราต้องพัฒนาศรัทธาจาก เอินซีศรัทธามาเป็นพระศรัทธาพระนี้เป็นพลังของจิตนอันนี้จิตเราไม่มีพลังมีก็พอที่จะเริ่มต้นสู่การศึกษาสู่การปฏิบัติเนี่ยก็ศึกษาไปปฏิบัติไปแล้วเอินซีก็จะพัฒนาขึ้นไปตามแ เราอาศัยการศึกษาเป็นหลัขั้นต้นต้องมีศรัทธาก่อนถ้าเราไม่มีศรัทธาเราก็ไม่อยากจะศึกษานถ้าเราเห็นหนังสือแต่เราไม่มีศรัทธาเราก็ไม่อ่านกายให้หนังสืออะไรมาถ้าเราเห็นก็ไม่มีศรัทธาเห็นชื่อเห็นอะไรแล้วก็ไม่มีศรัทธาเราก็ไม่อ่านเราต้องมีศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธาเราก็ต้อง อต้องเปิดใจกว้างาคือเอาขายอะไรมาก็อย่างน้อย ก, ก็เพล็กดูท่าหน่อยถ้าเป็นขนมก็ลองเชิมสักคำ อ, อย่าเพิ่งเทิ้งไปเล ย, เลยก็ให้ขนมเะไรมาอาหาอะไรม า, า, า, รรมาก็ทําใจกว้างๆไว้ไหน่อยลองตัดมาชิมสักคำลองหยิบมาเกินสักเชิ้นหึ่งอย่างนี้แล้ว ค่อยเอาไปทิ้งหรือเอาไปให้คนอื่นถ้าไม่ชอบถ้าไม่ถูกใจนั้นต้องเป็นคนใจกว้างอย่างสมัยที่เราแสวงหาตอนที่หาทางเกี่ยวกับทางศาสนานี้เราก็อ่านหนังสือของศาสนาหลักของโลกลห้กศาสนาด้วยกัน พอดีได้หนังสือมาเล่มหนึ่งก็รวมเอาหลักคำสอนของศาสนาหกศาสนา Major มีคริสเตียนมุสลิมมีบูติสมพุทธศาสนามีของจร์คอนฟูเซียนมีเต๋ามีอิสลามนี่คือศาสนาหลัก ของโลกอ่านไปอ่านมาไม่มีอะไรดีเท่ากับพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาที่มีคำตอบมีขั้นตอนที่จะทําให้เราเข้าถึงเสิ่งที่ผู้สอนเข้าถึงได้ศาสนาอื่นนี่ไม่มีขั้นตอนไม่มีทางมีแต่ สอนว่าให้ทำอย่างนี้ทอย่างนี้เขาได้เชื่ออย่างนี้อย่างนี้ไปต้องที่อ่านดูนี่รู้สึกว่าจะมีศาสนาเตา๋าเนี่ยรู้สึกจะค่ายกับศาสนาพุทธแต่เป็นค่อนข้างที่จะลึกเพราะเขาจะเน้นไปทางปาาัญญาคนที่ไม่มีปาามัญญานี่จะอ่านแล้วจะไม่เข้าใจ ก็เลยมารู้ว่าใกล้เกลือกินดางไปศึกษาต้องต้องไปชิมของต่างๆก่อนแล้วถึงจะรู้ว่าอา๋อเป็นด่างทั้งนั้นมีเกลืออยู่ใกล้ๆอก่ไม่เลวเพราะเกลือของเราจะกลายเป็นดางในทุกวันนี้ <c oughs> น่าใจนะาสนาของเราสาสนาพุทธตอนนี้มันไม่รักษาความเปนเกลือไหม มันถูกด่างมามาคอกนำมามามาะสมจนกระทั่งตัวเกลือนี่เหมันถูกกลบไปพวกเราท้กวันนี้ไม่เห็นตัวเกลือของศาสนาเราเห็นตัวด่างของศาสนาพิธีการบ้าบอคอแต่อะไรต่างๆที่เขางทำกันตามวัดต่างๆเนี่ยมันเป็นเหมือนดาน มันเห็นว่มันไม่มีสัตธามันกายเป็นพิธีกรรมไปหมดมีแต่บุญบางสังสว่วนแล้วมันได้อะไรไม่ได้อะไรสวดก็ฟังไม่รู้เรื่อง ไ, <ม>ไปงานสวดนี่เห็นญาติโยมไม่เห็นนั่งฟังเลยคุยกัน<ม>นะพระสวดไปญาติโยมก็คุยกันไปในงานสวดพระสวดกุศลธรรมมาญาติโยมก็บเป็นไงไปไหนทาอะไรมาคุยกันไป มันมันกลายเป็นอย่างถึงเดี๋ยวนี้บางคนก็เปลี่ยนศาสนาจากพุทธก็ไปเป็นคริสต์ก็มีเพราะไม่ได้เข้าถึงตัวเกลือตัวเกลือของพระพุทธศาสนาก็คือตัวคำสอนคำสอนแม่ ศ, ศึกษาแม่อ่านกันแม่ฟังกัน ฟังก็ไปฟังภาษาที่ไม่เข้าใจฟังภาคสวดภาษาบาลีเนี่ยนะตัวเองก็สวดภาษาบาลีกก็เลยไม่รู้สวดอะไรกไม่รู้สวดไปทำไมคำบาลีมันก็เป็นภาษาเดิมภาษาของพระพุทธเจ้าที่ได้รับการ อนุรักษ์มาที่เป็นอนุรักษ์ภาษามันไม่แปล น, นีล่ษ์คำสอนแต่ก็มีส่วนที่เขาเอาคำสอนที่เป็นภาษาบาลีนี่มาแปลเป็นภาษาไทยแปเป็นภาษาต่างๆภาษาอังกฤษเรื่อราเนี่ยเราได้ธรรมะคำสอนที่เอาจากภาษาอังกฤษเ เพื่อนเพลงมันไม่ค่อยช า, านาญทางภาษาไทยเรียนจบแค่ป .4 ภาษาไทยแล้วก็ไปเรียนโรงเรียนนานาชาติก็เรียนแต่ภาษาอังกฤษเลยอ่านหนังสือภาษาไทยไม่เข้าใจยิ่งภาษาธรรมยิ่าางสับสนใหญ่ภาษาธรรมะของที่แปลเป็นไทยนี้มัน ความหมายมันมีหลายความหมายแต่ท่านอ่านไม่เข้าใจว่ามันหมายถึงความหมายไหนาควาว่าการนี่มันมีหลายความหมายแปลว่าบาปก็ได้แปลว่าแปลว่าเป็นการกระทําก็ได้เอ่ยอทิฏฐานี่ก็แปลว่าขอก็ได้แปลว่าความตั้งใจก็ได้เมตนาแปลว่าความรู้สึกก็ได้แปลว่าความสงเพศก็ได้ ม, มันมีหลายครับ ความหมายแล้วยอ้อนไปนั่ายังมีราชาศัพ์เข้ามาแทนด้วยโว้ยอ่นยานพระเศธธรรมะเพื่ออะไถ้าไม่เป็นบราชบัณฑิตอ่นนานไม่ถึงยังไงท่านนี่พระกังพระอะไรร้อยแปดคนธรรมดาเลยอ่นยานพระเศธธรรมะไม่เข้าไม่เข้าใจแล้วไม่อยากจะอา่านเองเพราะมันสับสนเลยหมทั้งศัพท์ของภาษาที่เรามาใช้ทับศัพท์กันแล้วมาใช้ เป็นเป็นความหมายอย่างอื่นไปมันก็เลยทำให้คนอ่านอ่านแล้วท้ออ่านแล้วไม่มีอัทรภอ่านแล้วไม่มันอ่านแล้วปวดหัวนะ <c oughs> ยังไม่มีใครอยากจะอ่านหนังสือธรรมะ ก, กันแล้ก็มีสำหรับเรานี่ก็ชอบดได้อ่านที่แปลจากภากษานีน อ่านธรรมะที่เป็นภาษางกฤษนี่มันตรงตรงตัวเพราะภาษางกฤษนี่มันตายตัวมันต้องมีความหมายที่แน่ชัดมันไม่มันไม่มันไม่ปล่อยให้เรามาฆ่ากันเองภาษาอัเกฤษนี่มันมีแต่ละคำนี่มันเอที่มันชัดเจนกินมันยังมีหลายกินหลายแบบเลยใช่ไหมเรามีกินคำเดียวแต่มันมีกินไม่รู้กี่คำกินกินกิน กินอนาคตหรือกินอดีตหรือกินปัจจุบันใครกินใครถูกกินเนี่ยมันมันมันมีศัพท์เฉพาะของมันไปหมดนเพรออ่านแล้วมันก็ไม่ต้องมาแปลไม่ต้องมาคิดว่ามันหมายความว่ายอย่างไรอ่าน้ามันก็เข้าใจเลยว่าหมายความว่ายอย่างนี้มันก็เลยอ่านแล้วมันมันสนุกอ่าธรรมะภาษาอังกฤษไม่สนุก คนบางคนก้็มาฟังเทศเวลาเราเทศภาษาฝรั่งก็ยังชอบเลยเพราะว่าภาษาฝรั่งมันมันตรงตัวกว่ามันชัดเจนกว่าเพราะต้องพูดตามตามภาษาของเขาภาษาของเขาเขามีศัพท์เฉพาะเฉพาะที่หมายถึงที่มีความหมายเฉพาะของมันในขณะนั้นแต่พวกเราเนี่พูดไปนั่นมันเปนมันเป็นคําคําแบบว่าแปลได้หลายความหมาย แล้วก็ยังมีความหมายที่เราเข้าใจผิดกันข้าบอกว่าคําว่าอธิษฐานนี่ทุกคนที่ว่าต้องขอเนี่ยอะตั้งจิตอธิษฐานเนี่แค่ทําไว้ขอรุ่นขอนี่อขอให้ได้ให้ร่ำให้รวยขอให้ได้สามีได้ภรรยาที่ดีได้ลูกที่ดี <c oughs> ตั้งจิตอธิษฐานอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ใช่อธิษฐาน ทางภาษาบาลีอธิษฐานภาษาบาลีถ้าเป็นอาภาษาฝลังแปว่า resolution mm hmm. ให้ตั้งให้ตั้งเป้าหมายให้ตั้งตั้งใจ mm hmm. เือนปีใหม่นี้ตั้งใจจะทำอะไรให้ชีวิตของเราดีกับปีที่แล้ว mm hmm. เลิกสูบบุหรี่ mm hmm. New Year resolution <c oughs> อธิษาว่าปีใหม่นี้เราจะเลิกสู่บุรี เราจะเลกาดื่มสุรายามเรเราจะเล่กพูดบทอันนี้เรียกว่าอธิษฐานอธิษฐานนี่ก็ให้อธิษฐานที่เหตุคือการกระทําของเราแล้วผลมันจะตามมาจากเหตุแต่คนทยเรางงเป็น อ, ปอธิษฐานที่ผลไปขอนู่นขอนี่ขอให้มีสุขภาพดีแต่ไม่เลือกดื่มสุรา ไม่เลืเไม่สูไม่เลิกสูบบรีแล้วสุขภาพมันจะดีเลยถ้าอยากให้สุขภาพดีก็เลอกดื่มโซาเลอกอสูบบุหรีดูดมันดีเองอใช่ไหมเนี่ยคนไทยเรายังสูพฝรังไม่ได้ันงนี่นี่อ่านหนังสือพระพุทธศาสนานี่ก็ขเข้าถึงแก่เลยเขาถึงแก่เนยบวชกันเล้แล้วก็ ปฏิบัติทำเลยคนไทยเราก็ไปติบอยู่ที่<า>พิธีทรรพิธีกรรมต่างๆพิธีกรรมทาบุญพระก็ไปติดพิธีกรรมโยมก็เติดพิธีกรรมพระทำพิธีกรรมดีกับไปภานาะพิธีกรรมเมืองดีรางวัลนะเนี่ยไปทพิธีกรรม งานมันเกิดลงได้โอ๋ก็จัดงานจัดกับพวงกับข้าวกับปาอาหารพิเศษมาเลี้ยงพระมีปัจจุปัจจัยไทยธรรมเท่าของอะไรถวา้พระพระเพียงแต่ไานั่งสวดครึ่งชั่วโมงก็ได้รางวัลละถ้าไปภาวนาอยู่ในป่าไม่มีอะไรก็อยู่กับชาวป่าชาวเขาหลวงปู่มั่นก็อยู่กับชาวป่าชาวเขากินอาหารของชาวป่าชาวเขา เ น, นี่เรื่องอาหารมีเรื่องให้เล่าฟังมีวัดหนึ่งอยู่ที่ดอยปุยอยู่ใกล้วังกูเพิงของในหลวงนี่เวลาพระบินทะบาทนี่เขาบินระบาดเป็นสองสายสายหนึ่งไปไปภูพไปที่ในวังวัดในวังนิมนต์ให้ไปรับบินทะบาทแล้วก็ใกล้วัดก็มีหมู่บ้านชาวเขาอีกสายหนึ่งก็ไปบินทะบาทบ้านหมู่บ้านชาวเขา แล้วพระทําในของพระปฏิบัตินี่ได้อาหารมาแล้วต้องไม่เก็บเอาไว้ส่วนตัวไม่เอามารวมกันแล้วมาแบ่งกันที่ศาลาอาจารย์ท่านก็ฉลาดท่านก็บอกให้อาหารของชาวเขากับอาหารใน ว, งวังโมสายหม้อเดียวกันก็อมาต้มมาอุ่นกันก่อนให้มันเป็นอาหารน้ำเดียวกันแล้วก็มาตักใส่บาตรแบ่งให้กินอย่างนั้นมันจะได้ไม่แย่งกันอย่างนั้นมันจะยากไปบินระบาด ที่สายในวัง ส, สายในสายชาวเขายังไม่มีใครไปเลยนะก็มีเรื่องตลอดให้ฟังเหมือนชีวิตพระนี่ก็มีเรื่องตลอดเยอะแยะเหอนก้นแต่ก็พวกให้ต่างว่าเนี่ยมันมันของแตกต่างถ้าไม่มีกูบาอาจารย์ที่ ดูเรื่องธรรมเนี่ยศาสนามันก็จะเละเทะว่ามันจะหลายไปตามอำนาจของกิเลสกั น, นยอย่ามีพระไม่นสนใจปฏิบัติไม่สนใจศึกษากันศึกษาแล้วไม่มีใครสนับสนุนญาติโยมไม่ทำบุญกับพระที่ศึกษากันยากิโยมไปทำบุญกับพระที่สวดพิธีทำพิธีกันคนที่อยากจะไปเรียนหนังสือนี่เขาก็ไม่มีเขาต้องมีไฟในในตัวเขาเองอยากจะเรียนเอง เขาก็ต้องดิ้นหนไปไปเรียนหนังสือกันเพราะเรียนหนังสือนี่ไม่มีใครไม่มีใครทําบุญกับพระที่เรียนหนังสือนี่จะทําบุญกับพระที่ไปสวดที่บ้านหรือสวดศพที่วัดเท่นั้นก็เลยพระเราไม่อยากจะเรียนหนังสือกันชนหนึ่งก็เพราะขี้เกียจเรียนอยู่แนละ้วไม่อยากเรียนไม่ชอบศึกษา อีกส่วนหนึ่งศึกษาแล้วไม่มีไม่ได้อะไรไม่ได้รางวัลแต่ไม่ศึกษาได้รางวัลในส่วนตามงา น, นตา่างๆตามกิจ ม, มิตรต่างๆได้รางวีได้รา ง, งวัลก็เลยการศึกษาก็เลยอ่อนอ่อนมากนักศึกษาก็ศึกษาเพียงศึกษาเพียงอย่างเดียวไม่นำออกไปปฏิบัติเอง มันก็เลยศึกษาแล้วก็ไปให้รางวัลตอนจบให้ให้ตำแหน่งให้ยศใครได้ไปรเรียนก้าวสมัยก่อนนี่ก็จะตั้งเป็นเจ้าพ้าเจ้าคุณก็เลยเรียนไปเพื่อไปเป็นเจ้าพ้าเจ้าคุณไม่ได้เรียนไปเพื่อปฏิบัติกันเรียนพอเป็นเจ้าพ้าเจ้าคุณแล้วก็จะเลื่อนขั้นไปตามลำดับ ขั้นสามันก็ไปชั้นข่้นล่างขั้นเทพขั้นธรรมขันสมเด็จขันสังฆราชเนี่ยมันก็มีทางเลยงมไปทางนึงค่ะพระไม่ใช่เฉพาะพุทุชนะพระก็มีราบยศสังเสริมก็ก็อใ่ก็อโยงไปให้พระเองเนี่ยแต่พระไม่รับก็ได้ะก็พระเขาไม่รู้มันรับเราตั้งแต่ต้นเนี่ย ตั้งแต่ปู่ยาตายานของพระรับกันมา mm hmm. แต่ยุคแรกๆไม่มีหรอกยุคพระพุทธเจา mm ้า hmm. ไม่มีราบยศไม่มีไม่มียศไม่มีอะไร mm hmm. ปฏิบัติเพื่อมรักผลนิพพานยศของพระก็คือโสดาบันส ก, กิทาคามีอนาคาเมอราหังก็ลืมกันไปหมดแล้วแต่ตอนตอนที่โยองเป็นเด็กๆนะฮะท่ามเวลาที่บ้านที่ครอบครัวเขาเขาทาบุญกันเยอะไม่ว่าจะที่ต่างจังหวัดหรือที่กรุงเทพนะคะ เขามีความเชื่อว่าถ้าพระเข้ามาบ้านเนี่ยนะฮะแล้วก็มาสวดมาฉันมาอวยพรนี่จะได้เยอะบุญเยอะมากเลยะฮะจะไม่มีใครรู้เลยว่าการปฏิบัติการภาวนาเนี่ยเป็นยังไงเขาไม่มีความรู้เลยค่ะไม่มีใครสอนเนไม่มีใครสอนแล้วก็สอนกันมาแบบนี้ใช่ค่ะเชื่อกันมาเป็นแบบนี้ก็อะไรแบบที่บอกว่ามันถูกด่านเข้ามาอืเข้ามาครอบ มามาป่นเปื้อนทำให้เกลือนี่หายไปเลยเพราะด่างมันเยอะมันมาทาั้งทางพิธีกรรมาทาั้งทางสืบ ก, การศึกษาศึกษาอาจารย์ที่จะศึกษาเพื่อไปปฏิบัติก็ศึกษาเพื่อไปเป็นเจ้าฟ้าเจ้ า, าคุณไป<ม><ม>เป็นสังฆโลกสังฆราชเนี่อยอาจก็ด<ม>ูเลยดูที่พระก็ศึกษาเนี่ยดูพระที่เป็นสังฆราชเป็นดูการศึกษ า, กาเขาถึงเปลี่ยนเก้าแล้วเนี่ย เรียนเก้าเรียนเจ็ดพอศึกษาเสร็จจบก็มันทำหน้าที่สั่งสอนเลยไม่ต้องปฏิบัติสอนเป็นเป็นครูสั่งสอนไปตามหนังสือเพราะประเรียนก็คือภาษาบาลีดีๆนี่เรียนภาษาบาลี mm hmm. เพื่อที่จะได้รักษาทำสองพระเจ้าแต่รักษาภาษาแต่ไม่ได้รักษาตัวธรรมตัวธรรมจะรักษาได้ต้องเกิดจากการปฏิบัติเท่ mm hmm. านั้น ถ้าไม่ปฏิบัติตัวธรรมก็เป็นแค่ตัวหนังสือเป็นตัวภาษาบาลีคนที่เรียนบาลีถึงจะอ่านธรรมเข้าใจแต่ไม่เอาไปปฏิบัติก็ยังไม่เป็นธรรมขึ้นมาในใจยังเป็นตัวหนังสืออยู่ในกระดาษอยู่ยนี่มันเป็นปัญหาในสมัยพระพุทธการก็มีเนี่ยมีพระเทรลารูปหนึ่งท่านก็ท่องคําสอนพระเจ้าได้หมดเลย แต่พระเจ้าเจ้อหน้าทีลายก็ไม่ได้ชมกับกับตำแหน่ว่าเป็นใบลานเปล่าเธอเป็นใบลานเปล่าอยู่ไปเปล่าปล่ากินไปปล่าปล่าตาเปล่าเป่ า, ปามไม่ได้อะไร<ม>ได้แต่ใบรานแต่ไม่ได้ทำก็ไม่เห็นออกปฏิบัติสัทีเห็นเอาแต่เรียนอย่างเดียวเธออยากจะเรียนอย่างเดียวคิดว่าพระเจ้าจะชมยกย่องว่าเรียนได้เก่งกลับไม่ยกย่องกลับเป็นความรุ้เปล่า ความหรือเปล่าประโยชน์หมายไม่มีประโยชน์คือมีประโยชน์แต่ต้องเอาไปปฏิบัติมีประโยชน์เพื่อเอาไปปฏิบัติเท่านั้นถ้าเรงแล้วไม่เอาไปปฏิบัติมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรตอนันหนึ่งก็ได้ตัดสินใจว่าต้องปฏิบัติแล้วเพระพุทธเจ้าไม่เคยชมเลยมีแต่ว่าก็าเลยออกปฏิบัติเนี่ยก็เลยไปหาสัญลัก์ของพระที่มีแต่พาาาระอรหันต์เนน่ย ก็ไปขอปฏิบัตินี้การกูบาอาจารย์ที่หะรับคนมาปฏิบัตินี้เขาก็ต้องดับสันดานก่อนดัดทิฏฐิก่อนถือตัวว่าเปล่าถือตัวว่าเก่งเปล่าถือตัวว่าอาวโสหรือเปล่าเพราะอันนี้เป็นกิเลสที่มันเด็ดหนาแน่นมากการถือตัวนี้ พอ บ, บุญมาแล้วได้ภาษาสูงกว่าคนอื่นก็ถือว่าฉันสูงกว่าเธอละเธอต้องกราบฉันเธอสอนฉันไม่ได้ละฉันนี่ท่านก็ไปศึกษากับพระอรหรนันต์ในสำนักนั้นที่เป็นอรหรันต์ทั้งทั้งสำนักเลยแต่มีภาษาน้อยกว่าท่านเขาก็ปฏิเสธกันหมดเลยบอกว่าผมสอนท่านไม่ได้ท่านเป็นอาจารย์ผมไม่ไปสอนอาจารย์ได้ไงก็เล ย, เลย แหลือองเดียวเป็นสา ม, มเณรเขาว่าสา ม, มเณรก็ขอขอฝาดตัวเป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์สา ม, มเณรก็เอ้ยไม่ไหวแเราครูอาจารย์ท่านไม่ท่าไม่สอนท่านเราเป็นสา ม, มเณรจะไปสอนได้ยังไงเราทำท่าจะปฏิเสธทางเจ้า ว, ว่าทางพระมุทเป็นหัวหน้าที่เขาบอกเณรท่าไม่สงข้อท่านท่านหน่อยเหรอเณรไม่เข้าใจว่าสสัญญาณหร อ, อรับได้ ก็เลยรับมาเป็นลูกศิษย์การี่เป็นลูกศิษย์ก็ต้องทำหน้าที่ของลูกศิษย์ใช่ไหมก็เลยจับมาใช้เลยมาล้างซ่วงล้างกระโถนล้างบาตรซักจีวรกวาดถสาาูสาราสั่งให้ใช้ทำอะไรต่างๆสารพัดสารเพล์บางทีก็สั่งแก้งให้ลงไปดูอของในน้ำพอลงไปพอเปียกก็หลองไม่อาแล้วเปลี่ยนใจ จะทดสอบดูว่าดืด้อหรือไม่ดื้อโกรธไม่โกรธ <Yeah. S 1> แต่ท่านก็ตั้งใจจริงๆยอมรับว่าเขาเป็นอาจารย์เราอาจารย์สั่งให้ไปตายก็ไปยินดีไปตายเลยมันต้องถึงขนาดนั้นนะถึงจะสอนได้ถ้ามีการต่อต้านนะแต่เพียงนิดเดียวนี่ยมันจะทําให้ทําเข้าไปในใจไม่ได้ใาานใะจว่าอาจารย์สั่งอะไรเ่ต้องทำเลยบอกให้กระโดดแต่ก็กระโดดเลย ท่านในงามันจะมีปิเลจมาคอยขวางมาคอยถีเบมาคอยสงสัยท่านท่านเน้นตนี้มากถ้าไปศึกษากับครูบาอาจารย์ตามสำนักปฏิบัตินี่ท่านไม่รับพ้าง่ายๆเราไปอยู่กับหลงตาแรกๆนี่ท่านบอกว่าอยู่ได้ชั่วคราวท่านไม่รับท่านจะดูเละดูเราก่อน ดูพฤติกรรมของเราก่อนว่าเป็นยังไงมีการดื้อดึงหรือเปล่ามีการกระเพื่อที่ไม่เป็นไปตามกฎกติกาของวัดหรือเปล่าอะไรทุกอย่างนี้ท่านจะดูไปหมดทุกอย่างเลยท่านไม่ไม่ใช่ใครไปถึงปักก็ยินดีต้อนรับเชิญเลยไม่มีท่านต้องการดูนิสัยต้องการทดสอบจิตใจว่าแน่วแน่ต่อคําสอนได้หรือเปล่ จะเชื่อฟังท่านหรือเปล่าโดนท่านดุท่านดา่าเราจะโกรธท่านหรือเปล่ า, าการดุด่านี้เป็นการดุเพื่อให้เราได้ดีว่เาเราทําผิดพ้ะผู้ทธเจ้าไม่กล้าดุด่าแล้วเราจะไปรู้หรือว่าเราผิดหรือไม่ผิดอย่างไรย mm hmm. ัโอ้ยมันต้องสู้กับกิเลสในใจ่อยู่กับท่านบางทีท่านด่าท่านว่านี้กิเลสโกรธอะไรขึ้นมาเลย แต่ก็รู้อยู่ว่าอันนี้นเป็นกิเลสของเรามีอย่างเชื่อว่าท่านท่านดีทุกอย่างสิ่งที่ท่านพวกนี้ถูกทุกอย่างเรามันผิดเองอขณะรู้าาว่าผิดมันยังกิเลสยังไม่อยอมมันยังโกรธได้อต่ก็นั่นแหละมันก็กเลยเป็นสิ่งที่เราต้องกำจัดให้ได้ถ้าเราต้องการทำเราต้องกำจัด อตาตัวตนความเห็นของเรานี่เพราะความเห็นของเราเก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นนี้มันเห็นผิดเนี่ยมันเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นของท่านนี้เป็นสัมมาทิฏฐิร้อยเปอร์เซ็นตทุกคําพูดของท่านนี้เป็นคําเป็นสิ่งที่ถูกต้องถูกต้องตามความเป็นจริงท้งหความเห็นของเราที่ขัดกับคําคําสั่งคําสอนของท่านนี้เป็นความเห็นผิดทั้งั้น อันนี้ก็ถึงเล่าไห้ฟังจะได้เห็นว่าการไปปฏิบัตินี่มันไม่ใช่เป็นของง่ายการเรียนมันง่ายเพราะเรียนนี่เขาไม่สนใจว่าเราจะเชื่อแล้วไม่เชื่อมานั่งอยู่ในห้องเรียนครูพ่อสอนสอนไปถึงเวลาก็สอบสอบผ่านก็ได้ได้เรื่อนชั้นถ้าสอบไม่ผ่านก็ไม่ได้เรื่อนชั้นมันก็มีแค่ความจำเท่านั้นเองไม่ต้องมาถัดกาวกิเลส จะมีความโกรธความเกลียดอยู่ใน ใ, นใจก็ไม่ต้องมาชำระหรอกไม่ต้องมาอะไรมันการเรียนมันยังไม่เข้าไปถึงตัวกิเลสมัไงไง้งยงๆเป็นเพียงแต่เป็นการเตรียมตัวเตรียมเครื่องมือที่จะเอาไปสู้กับกิลเลสโดยความรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนเครื่องมือที่เราจะต้องเอามาใช้ต่อสู้กับกิเลสต่อไป แต่ถ้าเรายไม่ปฏิบัติก็เหมือนกับมีเครื่องมือแต่วางไว้เฉยๆ <c oughs> ไม่เอาไปปฏิบัติ <c oughs> ไม่เอาไปใช้ถ้าไม่เอาไปใช้กิเลสมันก็ไม่ตายเพราะทำเป็นเหมือนบีเหมือนเปิดเหมือนอาวุตที่ไว้สลับทำลายกิเลสตัณหาที่มีอยูยในใจแต่ใจของเรามันถูกกิเลสครอบงำจกนกระทั่งใจกับกิเลสเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าเราจะมาตัดกิเลสก็เหมือนกับมาตัดใจ จาจก็ไม่ยอมให้แตนะะใครมาแตะกิเลสตั้งนต่นี้เป็นไงขึ้นของขึ้นเลยนะงอนวักเลยโกรธปักเลยทำไม่ได้นะพูดแค่นี้ก็โหก็เสียใจยนะเธออย่าทำอย่างนี้นะแค่นี้ก็จะเสียใจยนะต้องเอาใจนะกิเลสนนะต้องเอาใจต้องสารเสริญเยืนยอ โอ้ยธดีอย่างนั้นแเ้าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะถ้าพูดอย่าเงี้ยชอบหวานคําหวานนี่ยแต่พอด่าคําเดียวเนี่ยมัหน้าหงิกงอขึ้นมาเนี่ยไปอยู่กับครูบาอาจารย์ทางปฏิบัตินี่เตรียมนั่งหงิกงอไม่เตะเพอาะจะจะต้องโดนคําด่าบางคนอยู่ทนอยู่ไม่ได้เครียดมากกลับบ้านลูกาไปแล้วกูไม่อยู่แล้ว ตาจริงๆไม่เชื่อน้อไปยังวัดปฏิบัติดูเ่ยแต่มันต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าตัวเรามันไม่ดีตัวเรามีแต่ความโลภความโกรธความหลงท่านพยายามที่จะมาช่วยฆาดความโลภวาโกรธหลงของนวกเรามที่จะมาช่วย่าคามลับไปโกรธคมหลงท่านเลายามวยความโลภความโกรธความหลงท่ายายามทีะมันนวยฆ่าความโลภค ว, ล, ค ว, กกควลง ใครมาว่าฉันโล่ไม่ได้นะใครจะมาว่าฉันขี้โกรธไม่ได้นโมโหขป้นมานางทีอันนี้แหละเป็นเป็นเรื่องของธรรมที่มันยากเนี่ยคนถึงไม่ไม่ค่อยชอบเข้าหามันเขาก็เลยหาหาเมื่อกี้พูดถึงเกือกอนดานเอาด่างมากกมันจะได้ไม่ต้องไปอมเกลือ กลือมันขมมันเค็มน ะ, มนะด่าง น, นี่ไม่เคยรู้เป็นไงก็ไม่กงพอหน้ากินมั้งอย่างเงี้ยชอบกันมากเกินปนะอปเกลือกินด่างชอบกินด่างกันเ <c oughs> พราะมันไม่เค็มเหมือนกับเอเกลือศาส น, นาก็เลยเอาด่างมามาโรยทับเกลือไว้เพราะว่าแหมไม่มีใครอยากเสียเข้าถึงแก่นไงเพราะมันมันมันมีอุปสรรคหลายด้าน ด้านในใจก็ดิเลนมันก็ไม่ยอมเลยู่แล้วแล้วทำก็แมญญมหมแสนยากแสนลาบากแม้ครูบาอาจารย์กว่าท่านจะรับได้โอ้โหบางทีถ้าไม่กราบจริงท่านอย่างอย่างสุดๆนี้ท่านไม่รับพวกง่ายๆเพื่ตามแบบภาษาชาวบ้านพวกงงนี้ต้องยอมตายตายแทะเท้าท่านอย่างนั้นท่านถึง น, น, นยาเห็นว่าเรายอมท่านจริงๆท่านถึงจะรับเราไป สามสอนหกลมถ้ายังเราเห็นว่าเรามีทิฏฐิอยู่ยังถือเนื้อถือตัวอยู่ถือว่าฉันเป็นวิ ศ, ว, ศวะเป็นสถาปะจบจุณาจบอังกฤษไม่โอ้ถ้าไปถืออย่างนี้กับ <c oughs> ท่านเนี่ไม่มีวันที่ฉันอยากจะไปสอนไปสอนได้ <c oughs> ต้องทําตัวเป็นปัจพีนะทาเป็นดินทําเป็นผ้าที่ริ้วถ้าอยากจะไปศึกษา จะเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์เนี่ยต้องทำตัวเป็นภาคที่เล้วให้ได้เหมือนพ็เทละที่ลายสาเนี่ยยอมไปเป็นลูกศิษย์ของสา ม, มเณรนะก็ดูสา ม, มเณรมันต่ำต้อยขนาดไหนในในในฐางพระนสา ม, มเณรนี่ก็ถือว่าส่ำสุดแล้วถ้าเรานับพรรษากันอาวุโสตามลาดับพรรษากันอันนี้ยาะ เจ้าวาดกลับโยนไปให้สัมเณรมันเป็นอาจารย์นี่มันคิดดูกล้วมันมันดูถูกกันขนาดไหนไม่ให้เกียรดกันเลยสามเณงเป็นพระเถระบวชมามีครามามากกว่าเจ้าวาดเจ้าวาดกลัไม่ไม่ยินดียอมรับเราเป็นลูกศิษย์กับโยนไปให้สัมเณรไงถ้าเคนมีทิฏฐิไปแล้วใช่ไหมอื่ไม่อยู่แล้วย่คนที่มีทิฏฐิเวลาไปวัดจะหาเจ้าวาดอย่างเดียว พอไม่เจอเจ้าวาดนี่ก็เปิดแล้วไม่เอาเอาาราพาลูกมารับหน่อยก็ไม่เอาแล้วเราแตเจ้าอาวาสอย่างเดียเนี่ยถึงยากเนี่ยทางของพระเจ้านี่มันถึงยากแล้วมันก็จะถูกอด่างนี่กรบเข้าไปเรื่อยๆเพราว่านี้ด่าง น, นี่มากขึ้นมากขึ้นทางการเจริญทางด้นานวัตถุนี่มันมีมากขึ้น ด, ดูวัดเดี๋ยวนี้สวยงามไหม ที่อยู่ของบานนี่ยังเขงาวานเลยเครืรร่องเฟอร์นิเจอร์หรูหรเลยนเยนี่นยั้งหรูหาั้งลายคาดัได้หมดเลยปูพรมติดแอร์นั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นของพวกนี้แล้วมันทำให้คนที่ไม่รู้ไม่ได้ศึกษาคิดว่าเนี่ยคือาศาสนาคือแก่นของาศาสนาพอไปเจอแก่นเข้าเจกับทอยหลัง แมาเจอน้องปู่น้องตาอยู่แบบขอทานก <c oughs> ็เลยว่าเอจะมีอะไรวะญญไปหาอหาพระที่มียศมีตําแหน่งก็ดีกว่าถ้าไม่เก่งจริงจะมียศมีตําแหน่งได้ยงไงใช่ไหมศาสนาในทุกวันนี้ก็หันไปทางลาบยศสารเสรือกันทั้งโยมทั้งพระพระ ก, ก็หารากบยศสารเสรือโยมก็หาพระที่มีราบยศสารเสริสเพรับคิดว่าเป็นพระเก่ง พระเก่งนะถ้าไม่เก่งจะมีราบยดสรรเสริญได้ไงใคาๆก็อยากจะไปทามุนกับสังฆราษฎร์นะเพราะใครจะเป็นสังฆราชฎร์ได้ถ้าไม่เก่งเป็นได้หรือเปลเขาก็คิดกันทางโลกเงนี้นะไม่เสมอไปเป็นยังไงอาว่ามาไม่ยจะพาไม่กล้าอกท่านบางคนนะน โยไม่ไปโยไม่ไปอันนี้เราก็พูดตามเราไม่ได้พูดจบจนถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราพูดถึงภาพรวมเนี่ยมีน้อยมากกะยังไงมีน้อยมากมีน้อยมากที่จะมาเสาะหาพระที่อยู่อย่างก็ท่านอย่างที่ท่านว่าไม่เข้าใจเดินเดินจังหวะหัวถนนท้ายถนน ไม่มีรถเบนช์ขับมาส่งอะไรเนี้ยเดินแล้วก็ผ้าก็เก่าๆคลค่าสีแล้วท่านก็เดินทั่ส่วนตัวดำปี้มันไม่มีสง่าราศีเงฮะเขาก็เลยไม่ไม่จอดรับหรือว่าไม่ใส่แม้กระทั่งส้มใบหนึ่งมันอยู่ที่คนติดติดกิเลสงฮะถ้าตัวอยู่อย่างนั้นพระก็ต้องอยู่อย่างเหมือนกันยับตัวเองมันจะได้เท่าเทียมกัน ก็อยู่กับลาบรวบสารละเสริใช่ค่ะก็ตลยถ้ามพระที่มีลาบรวบสาละเสริใช่ค่ะเป็นเครื่องวัดกันยอมใช้ลาบรวบสาละเสริมเป็นเครื่องวัดมันอาจจะติดนะถ้าคือก็เลยไปไปไปวัดพระด้วยลาบรวบสารละเสือมกันยอมยอมเรียนเรียนเรียนอะไรอะศิลปะที่มังนอกนะเขาเขาก็มี ยุคเกรนส์ซองที่ที่อิตาลีนะฮะอนั้นก็มีพวกพวกฐานะดีฮะพวกร่ารวยเนี่ยเขาก็สปอนเซอร์ศิลปินให้มาาพวาดเขียนอะไรเงี้ยศิลปศิลปินถ้าเผื่อไม่มีคนจ้างนี่ก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมเขาก็ต้องเข้ามาหาคนรวยเนี่ยเขาก็มีคําว่าติดทองนะคะไปใกล้ๆแล้วทองมันจะติดไปใกล้ๆเนี่ยต้องอยู่ต้องอยู่ด้วยกันไงฮะ เด็กทองรับรับโกเลยเนีก็ทางโลกก็เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนี้คนเก่งก่นมันห้าร้อยปีมาแล้วคนก่ก็จะอยู่ใกล้กับคนรวยคนใหญ่โตติดทองนะเพราะคนใหญ่คนโตเนี่ยเขามีค่าจ้างเขาจ่ายค่าจ้างใช่ค่ะสปอนเซอร์ดังนะคนไม่เก่งก็เข้าไม่ถึงคนต้องเก่งถึงจะก็ทางโลกก็เป็นอย่างนี้เ้าก็เลยคิดว่าทางทมจะเป็นอย่างนี้ด้วยเขาก็เลยดูพระแบบนั้นพระก็เลยต้องเอาแบบนั้นถ้าอยากจะใกล้ทอง การองินก็ต้องในในอก็ต้องมีติเปลวติดใบ<น>มก็มีต้องมีความสามารถที่เขาวัดได้ความสามารถที่ของทางภาะที่วัดได้ก็คือการเรียนจบป ร, ริญญานี่ <c oughs> มีใบประกาศรับรองอจบป ร, ริญญาเก้าเนี่ยสแสดงว่ายากมากคนที่ได้เรียนจบป ร, ริญญาเก้าได้เนี่ยไม่ใช่ใครบวชมาแล้วจะจบกันได้ทุกค น, นก็เลยยกย่องคนที่จบป ร, ริญญาเก้าในหลวงนี่ท่าน ถวายยศเลยนะพอจบการเรียนก้าวให้เป็นเจ้าคุณทันทีเลยเนี่ยก็เลยมันก็เลยไปในทางนั้นกันหมดในทางทางโลกกันอไปรับดาบยศฐานรัศมีกันก็เท่ากับข้ามกับว่าเป็นแบบป ร, ริญญาเอกทางโลกรเรียนก้าเลยฮะแต่ว่าถ้าเผื่อปริญญาเอกยิ่งมากกว่าทาง ทางปฏิบัตินี่ก็นิพพานไปเลยใช่แต่ทางนี้มันวัดไม่ได้ไนงะมันวัดไม่ได้ไม่มีใครจะวัดกันได้นอกจากความที่ปฏิบัติด้วย ก, การจะวัดกันเองได้จะคุยกนก็จะรู้ว่าไปถึงไงแต่คนที่ไม่ปฏิบัตินี่ไม่มีวันรู้หรอกว่าเป็นยังไงเรายิ่งหน้าตาท่าทางของพวกที่ไปนิพพานแต่ละคนเนี่ <c oughs> สมบูรสมบันมาก <c oughs> นะ <c oughs> แต่พออาปากออกมาแล้วเรารู้เลยนะว่าปัญญาแค่ไหนอเคี้ยวหมกเคี้ยวหมอกเลยไม่อยากจะเข้ามาเลยไม่มีท้องให้มาติดเลยถ้าดูลูกแล้วก็ไม่มีใครอยากจะเข้าหาคนที่จะเข้าหาพระอริยได้ต้องเป็นคนที่มีมีแว่น แม่นดูพระอะไรเนี้ยคือตัวนี้ต้องเข้าใจหลักทคํำสอนแล้วรู้ว่าตอนยังไม่มีแล้วอยากจะมีของอย่างที่ท่านมีอย่างเงี้ยมันถึงจะถึงจะเข้าได้เพราะสิ่งที่ท่านมีนี้มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายของท่านมันอยู่ที่ใจที่เรามองไม่เห็นแต่ไม่รู้รัชกาลที่เก้านะคะบางนานมนแล้วเห็นมีรูปหลายรูปนะท่านท่านจะไป พระที่แบบว่ามีมากเยอะฮะแล้วนั่งไปไหนไม่ได้แล้วท่านก็ไปกราบนะฮะแล้วท่านก็มีแว่นน ะ, ะท่านมีสเกาท่านมีท่านเพื่อมีผู้สอนแนแทนจะส่ง อ, องค์คมเมนต์ไปไปไปไปกราบครูบาอาจารย์ต่างๆไปศึกษาประวัติไปศึกษาคําสอนค่ะเอาคําสอนเอาหนังสือของท่านมาให้ในหลวงท่านได้ศึกษาได้อ่านด้วยเพราะในหลวงท่านปฏิบัติด้วยค ก็น่าแต่หลังจากที่ท่านบวงน้าท่านได้สัมผัสก็ได้ได้ได้พี่เลี้ยงที่ดีก็เลยได้สมเด็จพระสระังฆราชที่ท่านก็เป็นพักปฏิบัติ ด, ด้วยท่านสนใจปฏิบัติก็เลยสอนแนวทางปฏิบัติให้ในหลงวงเลยในหลวงก็เลยไ ด, ได้มีโอกาสได้ศึกษาแล้วพอได้ยินข่าวว่ามีพาาระอรหันต์แต่เป็นพระป่าเท่านั้นคพระในเมืองนี้ไม่มีทัพองท่านก็เลยส่งพมกองเตงพลใกล้ชิดไป ไปไปหาครูบาอาจารย์ต่างๆแล้วก็ ไ, ไ ด, ได้ทั้งเสื่อได้คังสอนท่านก็เอามาถวายให้ในหลวงได้ศึกษาตอนนั้นได้ศึกษาแล้วท่าก็อยากจะเจอตัวจริงนนเองใช่ <c oughs> ท่านก็เลยพอ <c oughs> ท่านออกไปทําภารกิจต่างนิวรัตท่านก็เลยแวะไปตามวัดวาของครูบาอาจารย์ต่างๆแล้วก็นั่งสมนานาธรรมเปนเป็นชั่วโมงเลยพอ <c oughs> ได้สมนานาธรรมได้ ได้คําตอบที่ทําให้ท่านสว่างสวัยขึ้นมาความสงสัยต่างๆที่ ม, มีมันมันหายไปโดยที่เมื่อก่อนคุยกับพระนี่เลยกล้าไม่หายเลยไม่มีองค์ไหนให้ทาสว่างได้หอนได้ไปคุยกับพระปฏิบัติท่านนี้นมันได้คําตอบชัดเจนก็เลยทําให้พวกมีศรัทธากับครูบาอาจารย์สายปฏิบัติมากผมว่าปูกฟ้าเ น, นี่ยนิสัท่านเขาลวกมาก ท่านไปทุกปีท่านจะไปสกลนครไปไปอยู่ที่ภูภูพานราชนีนเวไปไปทำงานแล้วท่านก็จะหาเวลาไปกราบกูบาจางแถวนั้นสกลนครนี่มีพระอริยมากมีกูบาจางมา ก, มามากในนั้นก็ก็มีหลวงปู่พ้านเป็นพระอาวุโสถ่ายของหลวงปู่ฟ้านนั่ไปกราบไปสอนเวลาทาก็ มีความนุ่นเริงดนทางมีความสุขจากการสนทนา mm hmm. นั้นก็เลยศรัทธามา <c oughs> อันนี้แหละก็เป็นเรื่องที่ว่ามันไม่ใช่เป็นของง่ายที่จะเข้าถึงเกลือเพราะทังวันนี้มันถูกด่างครอบไว้หมดกลวไว้หมดถ้าไม่รู้จักจแยกเกลือออกจากด่างนี่จะไม่มีวันเข้าถึงเกลือได้ คนที่ไม่ได้ศึกษาทำจากพระ่างหนังสือธรรมะได้ศึกษาจากการสั่งสอนมาถ่ายทอดมาจากวิานามรดาปูยยาตายายก <c oughs> ็จะไปเจอแต่ดา่า น, น <c oughs> เายจอแต่พิธีกรรมทั้งหลายม่แต่พิธีกรรมบวชก็ยังเป็นพิธีกรรมเลย <c oughs> ใช่ั้ยบวชต้อเสก บ, บวชไปทำไมก็ <c oughs> บวชกันเพราะเชื <c oughs> <c oughs> ่อบวชแล้วมันก็ ทำให้คนดีขึ้นก็จริงอยู่คนที่ไม่ได้บวชกับคนที่ได้บวชนี่ต่างกันคนที่ได้บวชจะได้รู้ผิดถูกดีชั่วพอเสร็จออกมาแล้วก็จะได้เป็นคนที่ดีแต่ตอนที่ไม่ได้บวชเคยกินเล่าเลายาไกลเที่ยวเตะเคยเล่นการพนันก็พอบวชแล้วก็เสร็จออกมาก็จะเลิกมันก็ดีในระดับหนึ่งแต่การบวชนี่มันไม่ได้ต้องการเพียงระดับนั้นมันต้องการให้ดุดพ้นเลย องการให้หอุดพ้นจากการเวียนว่ายตาเยเกิดหลุดท้นจากความทุกข์ทั้งหลายการบวชแบบนี้มันก็เลยทําให้หลงทางมาไปคิดว่าบวชแค่นี้พอใครบวชยาวในหาวบ้างก็รู้ว่าเป็นพวกที่ไม่มีทางไปพวกที่ไม่มีปัญญาไปทำมาหากินทางโลกก็เลยอาศาัยการบวชเป็นอาชีพไปกลับไปมองไปนอย่างเดี๋ยนี้มันก็กลายเป็นอาชีพอย่างนี้จริงๆบวชเป็นอาชีพกันอะเนี่ย ไม่ได้บวชเพื่อปฏิบัตนะิใช่มเนี่ย <Yeah. S 1> yeah. มัน mm hmm. จุดบกพ่องก็คือการศึกษา mm hmm. การศึกษาธรรมการฟังธรรมก็ดูแต่ว่าในเมืองเวลาฟังธรรมเทศไบลานกันอย่างที่เล่าให้ฟังภาษาราชาศัพท์เต็มไปหมด mm hmm. แล้วคนเทศก็ไม่ได้เทศออกมาจากความรู้ของตนเองก็เอา นักเรียำสอนของขวางมานั่งเขียนมานั่งอ่านกันอ่านไปให้มันจบๆคงฟังก็ฟังไ ป, ไปบางทีฟังบางทีไม่ถึงหน้านาทีก็ขอพักนะเวลาพักจะตั้งน้ำมนต์เทนให้หาสาวพิงกันไม่มฟังเพื่อความรู้ฟังเพื่อเป็นพิธีไ ให้มันครบสูดมันพานเขาลงนการฟังเทศฟังธรรมทำนะให้มันจบจบไปส่วนใหญ่ฟังแล้วถามฟังอะไรใไห้ม่ดูเนี่ยมันมันมันมันอ่อนมากการศึกษาของชาวพุทธล้วสุ่าฝหลั <S <S งเวอาชาวต่างประเทศนี้เขาเป็นเหมือนน้ำพิดถ้วยเล็กๆเขามีจำนวนน้อยแต่เ็าศึกษากันทุกคน พวกที่เข้าถึงศาสนาพุทธของชาวต่างประเทศนี่ก็ได้มาจากการศึกษาจากการอ่านหนังสือธรรมะคาสอนของพระพาาุทธเจ้าคําสอนของของครูบาอาจารย์แต่พวกเรานี่ได้เราได้เราเป็นพุทธเพราะเกิดมาในเมืองพุทธและถูกสอนด้วยกําหนดธรรมในประเพณีพิธีกรรมต่างๆเราก็เลยไม่เข้าถึงตัวตัวแก่นแท้ไม่เคยเข้าถึงตัวคําสอน ก็ว่าบุญเนีทยทํานะพอคำว่าบุญเข้มเยอะใช้ได้แล้วมันก็ไหลไปไม่ได้มากได้แค่ผิวได้แค่เปิดอการทำบุญนี่เป็นแค่เปิดของศาสนากูยมเพิ่งมารู้จากท่านอาจารย์นะความหมายของบุญจริงๆเนี่ยไม่ใช่บุญแมจิกหรือว่าสิ่งมหัศจรรย์ที่จะได้มาคือว่าแปลว่ามีความสุขใช่ไหมฮะความสุขใจเ<ช>พอไม่รู้ไงฮะอะ เี่ยวกับของเหมือนกับของอศจญากรเลยฝนฝนตกมาไม่รู้ว่ามันเป็นคือความสุขในใจของเราเองน่ยคือไม่ได้ไม่ได้ศึกษาใช่ไหมไม่ไดไม่มีใครบอกเรียนจบปริญญาแต่ไม่ไม่ได้ทางศาสนาพิ่มเลยเขาสอนแต่ว่าวิธีหากินสมัยก่อนยังมีพุทธศาสนาเป็นหลักสูตรสมัยนี้นึเสร็จเข้าเขาออกไปหมดแล้ว ก็เห็นว่ามันมันไม่ได้มีส่วนที่จะทำให้ทํา ม, มหากินดีขึ้นง่ายขึ้นคล่องขึ้นกับทำให้มมหากินยากต้างรัดสาสีเนี่ยษาสีเล็กก้องสางสาีก็โกงหกไม่ได้โกงไม่ได้เปิดบ่อนไม่ได้นี่พยายามจะเปิดบ่อนเนี่ยยังติดอยู่ตรงนี้นะมองไทย แล้วจะทําไงจริงๆปล่อยบอลได้สิเราไปต้องล้างศาสนาไม่ให้มีศาสนามันจะปลดบอนได้นี่คือการคาเสื่อมของศาสนาเนี่ยมันมันเริ่มเสื่อมมาตั้งนานแล้วเสื่อมตั้งแต่ตอนเราเกิดนะมันเริ่มมันกลายจากแก่งเมื่อกลายเป็นเปิดกันละตอนนี้หยุดกลับเปลือกกัน แก่นี่เข้าไม่ค่อยถึงกันมีมีบ้างแต่น้อยบ้างเนี่ยบรรดาพระหรือผู้ปฏิบัติธรรมที่เข้าถึงแก่นเนี่ยอาจจะมีหเปอร์นาะในปริมาณสองแสนจานวนของพระสองแสนรูปเนี่ยอาจะมีหซของของสองแสนรูปที่เข้าถึงแก่นเนี่ยนะที่ศึกษาที่ปฏิบัติกันตรงนั้นก็อยู่กับเบิก อ, อยู่กับบุญบางสังส่วน อยู่กับการเรียนเพื่อเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณเป็นอะไรไปอันีิ่งน้อยก็ยังไม่มีใครสอนได้นะคะก็ทั้งหมดมันก็จะเป็นอย่างนั้นต่อไปมันก็จะเป็นมีใครสอนแล้วคนก็พร้อมแม่ได้สอนไม่ได้เรียนก็เลยไม่รู้ว่ามีไว้ทําไมสาธารณะแล้วถ้ากลับมาเกิดอิบคราวหน้านี่อย่างอย่างอีกร้อยปีเนี้ยก็กยากเราไปทีทีมันก็เสื่อมไปเรื่อย เขาถึงบอกว่าเวลาถึงครบห้าพันปีเนี่ยจะไม่มีใครรู้เลยแนละ้วอ่านอ่านอะไรไม่ไม่รู้เรื่องเลยไ ม, ไม่มีใครสอบไม่รู้ว่ามีไว้ทำไมพระพุทธ ร, รูปเจดีย์อะไรต่างมีไว้ทำไมหนังสือธรรมะอ่านก็ไม่เข้าใจกันแล้วพ้าเหลืองสำหรับพระนี่ก็จะมีแบบว่าติดติดหน่อยเดียวสีเหลือง เดินจะเป็นจริงนะมัน ม, มันอาจจะเป็นจริงน ะ, อ, ะอย่าไปสนุกสบายจะไปเที่ยวไม่ต้องโหนี้นะ<笑><笑><笑>ก็เหมือนพระของชาวสลึงนี่ก็ไม่ต้องใส่ชุดของเชาอไทย <c oughs> เขาก็มีมีการเขนติดตรงไหนถ้าแข็งนี้นก็กนี่เป็นพระ <c oughs> แล้วเมื่ก่อนเขาใส่ชุดของใช่ไหมอย๋างนี้เขาก็เพราะว่า อ, อย่างนี้โลกมันจะเทางด้านรับถึงกันเนี่อเลย อยากจะไปทางวัดถุนะอ่ะคิดว่าช่วงนี้ก็พอสมควรกับเวลายังมีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้ามีจะอนุมโมทนาให้ความกรันธะาแ้วเดี๋ยวใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้ช่วงเรายังจะอยู่ไปถึงเกือบสี่โมงนะ่หยาถาวะริวะหาปุราปิปุเรนติสักะรัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังทิพเเมวะสมิจจโตสัพเพปรเณตุสังกปาจัณโทปนะ a ัสโยท้ามณิโชติรัสโยท h าสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควิณสตุ มาเตผวะตวันตระยูสุขีทีขายุโกภวะอัตวะธนสีนิสสนิจังุทธาปจายินูจตารูธรรมวทาติอายุมนโลสุขังภาลั ให้พรนี่ก็เป็นพิธีกรรมอีกงานหนึ่งแต่ไม่ให้ทำไม่ได้ให้แล้วสาวทุกันใหญ่เลยได้ไม่ให้เลยมาแต่บุญลล้วไม่ได้พรเป็นการกราบขอบพระคุณที่ท่านได้สั่งสอนเนี่ยอาจารย์ถือชุดหวัพระรับ ทุกว <ridiculous> ันเนี่ยลินบานก็เป็นื่อดองภวลยนอนอ่างเป็นศึกษาผู้ดองภาวะ13ข้อจะผักเป็นพิมพ์บานขอต้นไผ่ก็เป็นผู้ดองภาวะฉันในบาสก็เป็นื่อดองภาวฉันเมื่อเดียนก็เป็นผู้ดองภะเดอนในป่าก็เป็นื่อดองภาวะมี13ข้อผู้ดองภาวแต่ไม่ได้รับษาท13ข้อไม่ได้บังคับ ให้เลือกต า, ามทางพอใจการออกจากลิไปเดินอนี้เขาเรียกเสดที่เว่ไม่ได้เดรียกทุยลงเพียงแต่ว่าเราใช้แทนคำว่าทุยลงนั้นไม่พอามหมายถ่การเดินปสดจที่เว่ไปอยู่ตามที่สงบสงัดถ้านเรียกว่าไปเสดที่เวร่รทุยลงนีหมายถึงการถือทุยลงคาวะาเ็ แต่ผู้ที่ไปเปลี่ยววิเว่ยนั่นก็มักจะถือที่ดองเพราะว่าเขาก็เลยเรียนเป็นพระทวดองเป็นทวดองแต่ทวดองไม่ต้องไปเปลียววิเว่ยก็ได้ถ้าที่วัดมันวิเว่อยู่แล้วก็ไม่ต้องไปวิเว่ยพระอาจารย์จะแยกโยมมามาพ่อมล้อมพระอาจารย์ทุกวันเนี่ยพระอาจารย์มันเสียความวิเว่นะครับก็มันแค่ช่วโมงสองชั่วโมง เวลาไม่ได้ปล่อยให้มาทั้งวันทั้งพคืียุคเตเรานี่เราก เ, เขียนไปเราไม่รับแขกที่กติดก็จะมันจะต้องทําหน้าที่ทํำไงถ้าไม่มาสอนนักไทยจะสอนถ้าถ้าช่วงที่เรียนช่วงช่วงที่ปฏิบัติก็ไม่สอนมันพ้ น, นช่วงเรียนไปแล้วแล้วก็ดำเนินช่วงสอน ถ้าท่านไม่สอนก็ไม่จ้าเปื่จะให้สาิบวันไม่ตยไม่ต้องดูคาถาได้ตอนนฝ้พี่เวนยังอยู่รึเปล่าถ้าสอนน้าจาพุ่งต้าก็หยุดสอนยาไม่มีไม่มีอ่ะถ้าสอนน้าจยังกระบอกอยู่ท่านไม่มีุ่งต้านนะมีแต่มีแต่ยมยมท้หลายพุ่งต้า นี่ก็า ม, ามาขอถ่ายรูปทำน้ำไ่เอายากลือไม่เอายาวาด่า <c oughs> เต็มไป้านหนึ่กลอกินด่างเ <c oughs> ของดีนยขอกินด่างกลาวขอการ ไม่ต้องมาก็ได้่าถ่ายรูปเนี่ยมึงมีอยู่ในถ่ายข้าวสดทุกวันคลิปนี้เป็นร้อยแล้วมึงดูให้เบื่อแต่กีเล็มันห้ามไม่ได้เพื่อนมาจากฮ่องกงขออยากมาตอบแต่ไม่เอาเกลไม่เอาเจ้าภาพ เลี้ยงสิ่งน้เรเลี้ยงอเี่ยเลี้พาอกไปจเด่นอ่าไรไม่ได้เลยโอ้โหอยาขอความรู้พระอาจารย์ที่แสช่วยให้ญาติโยมเนี่ยไม่เสียความวิเวกในขณะที่ต้องเข้าไปอยู่ในสังคมเขต้องไหครับ สร้างวยขึ้นมา่อนครับตอนนีใจเรายังไม่วลเร เ, รเราต้องไปตรวจเ่เความสงบไม่ได้ครับถาใจเราสงบแล้วต่อไปอยู่ที่ไหนันนก็สงบได้ตอลอดเวลาแต่ตอนนี้ใจเรายังจูกสิ่งไมร้องกระทบใจยอยอะไรมันกระท่ไหนความสงบหายไปความทุกสร้งสาง ข, ง, ขงขึ้นมาเราต้องรู้จกกักควบคุมใจไม่ให้รับผลกระทบจากสิ่งที่มากระทบ จะต้องนิ่งได้ตลอดเวลาเ้ก่อนจะนิ่งได้ก็ต้องไปหาที่เงียบๆทำให้มันนิ่งก่อนตอนิ่งแล้วก็หาหาเหตุการณ์มามากระทุง้งใจอยู่ว่าจะนิ่งไหมไปหาเสือหางูหาผี <c oughs> ดูว่าดูว่าเวลาเวลาเจอมาแล้วใจยังใจยังไม่มีหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เป็นต้องทาต้องไปวิ่งเวเนี่ยเท่าเราไปชู้โดงเลยไปเพื่อที่จะไปไปเจอเสือนี่ไปสร้างภาววิเวกก่อนสร้างแล้วพอมีกําลังพอมีวิเวกแล้วก็ไปทดสอบว่ามันจะวิเวกจริงหรือวิเวกฟองถ้าวิเวกจริงนี่เจออะไรมันก็ยังวิเวกอยู่ถ้าวิเวกฟองนี่นพอเจออะไรปับ๊บเตือนตหอดไปอันนี้ก็ต้องกลับมาทากัดบ้างมาจะวิเวกขึ้นเดียว วิเวกด้วยสมาธิเี่นขาดปัญญาถ้ามีปัญญาแล้วจะวิเวกตลอดสมมุติถ้าโยมเข้าไปในป่านะครับติวิเวกไปไปพบกับเสืออาจารย์จะให้โยมทำยังไงก็อยอมตายสิยยย ถ, ถ้ามันไม่ยอมตายมันก็มันก็สั่นถ้ามันยอมตายมันก็ไม่ส ไม่ต้องเอาเสือเสือตัวใกล้เราเนี่ยเว่เลาเขายากที่ย่าเราเสือสุดที่รักขอเสือคำรามหน่อยด้วยใจสั่นหรือเปล่าถ้าไม่อยากจะให้สันก็ปล่อยก็ด่าไปนะเธออยากจะดา่าอะไรก็วางไปฉันยินดีฟังนั่นแหละเอาเอาเสือใกล้ตัวตัาง ก, ก็ได้ไม่ตไปยุ่งกับ อยากจะดนอ่ะพังๆอ่ะก็อยาอาจารย์ะ <c oughs> คะเอ่ออยากจะอยากจะปรึกษาอาจารย์คือว่าถ้าที่อาจารย์เห็นนรโยงก็มือมันง่อยมาสามอาทิตย์แล้วแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วทั้งอาทิตย์เนี่ยหมอให้ไปทําทํากายภาพบําบัดโดยไฟฟ้าเนี่ยนะฮะที น, นี้โยมก็ทํากันบ้านนะฮะพุทโธนอนบนเตียงนี่นะฮะ แล้วก็มีมีสายไฟล่ามไปกระตุ้นด้วยไฟฟ้าเนี่ยนะคะคือว่าตอนนั้นมันแย่กันนี้มากนะคะเอ่อก็วางบนหมอนเนี่ยแล้ว ก, ก็เปิดไฟไปกระตุ้นกล้ามเนื้อก่อนฉีก็ไปกระตุ้นเอ่อ อ, อ, อะไรเส้นบระสาทแต่ว่าต้องกระตุ้น้ามเนื้อ น, นี่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะรีบแล้วมันจะง่อยไปตลอดชีพก็วางไว้อย่างนี้นะคะ ยองก็บอกว่านี่เมื่อกี้เมื่อกี้หมอสอนว่าควรจะใช้ความคิดสั่งมันนะสั่งจากสมองนะ่ะก็เหมือนกับสั่งจากความคิดของเราอย่างเงี้ยอย่างนี้ยกตัวอย่า ง, างถ้ามันดีนะเราบอกยกสิเราก็ยกหลิงใช่ไหมฮะเขาบอกคุณก็คุณก็สั่งมันสิว่าเอ้ยกนะโหยกนะ oh. กนะมันก็ไม่ยกสิบรอบมันก็ไม่ยก มาแต่ตอนนี้พอไฟฟ้าเข้าไปไปปึ๊บป๊มันนีมันก็มันก็เป็นอย่างเงี้ยก็อันนี้ยังยกไม่ได้นะต้องไปอาทิตย์หนึ่งมันก็แบบก็กก็อยู่ตลอดเลยนะคะก็มาเห็นโยมก็ดูมันอ่ะก็เป็นการบ้านเรื่องเรื่องที่อาจารย์ท่านอาจารย์บอกว่าเรื่องเรื่องที่ร่างกายเนี่ยมันธาดดินน้ําลมไฟนะฮะแล้วเราก็ไปสั่งมันไม่ได้มันชํารุด คือว่ามันชํารุดเรื่องเรื่องอันแรกก็ชำกล้ามเนื้อมันล้าแล้วมันก็มีกล้ามเนื้อไปกดทับกดทับ เ, เส้นประสาทอันนี้ยังชายอยู่เลยนะแต่เนี้ยมันทําใหเเ้เส้นประสาทและกล้ามเนื้อเสียหายมาถึงมาถึงนี่นะคะเมั่อมาถึงยกไม่ได้ทีนี้เราก็สั่งมันสั่งมันแล้วมันไม่ไปตอนนี้พอกล้ามเนื้อพอพอไฟเข้าไป ต้นมันเนี่ยมันก็ตึ๊กตึกตกตกึ๊อ้ยองงิงนอนพดโท่อยู่เนี่ยเขาบอกเอ๊ะตอนที่เรายังไม่ก่อนเขายังไม่ใส่ไฟฟ้าเนี่ยมันเหมือนกับท่อนไม้อ่ะที่มันมาติดอยู่ตรงนี้ของเราแต่ข้างนี้นะมันก็จากนี้ไปเนี่ยเราก็สึกรู้สึกนะแต่ตรงเนี้ยมันไม่รู้เรื่องมันไม่เอากับเราเลยเหมือนกับไม่ใช่ของเราอ่ะงั้นก็ก็มาได้คิดว่าคือคืออยู่ในจิตนะว่าอ๋อ ที่อาจารย์ว่ามาเนี่ยร่างกายกับจิตใจเนี่ยมันมันอยู่คนละตัวแล้วนี่มันพังอะ่ะเราไปสั่งมันนะมันเป็นอ น, นัตตามันสั่งไม่ได้เออสั่งกี่ร้อยหนนไปกี่หนก็สั่งมานกลับบ้านก็สั่งมาเออลูกขึ้นสิมันก็ไม่ไปเพราะฉะนั้ ก็ไม่ได้บทเรียนทั้งอาทิตย์เลยว่าจ้องมันเท่าไหร่เลยให้มันขึ้นไม่ขึ้นแต่สายไฟเข้าเนี่ยมันต๊อกตก๊อกขึ้นมาเลยนะฮะเพื่อจะกระตุ้นกล้ามเนื้อเนี่ยและอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์กับตัวโยมเองนะฮะว่าแทนที่จะฟังอนาะจารย์เหมือนว่าเอ้ยนี่ไม่ใช่ของเราอะไรเงี้ยสั่งมันก็ไม่ได้มันก็ยังไม่เข้าใจถึงกับเกิดกับตัวเองไม่เคยเป็นมาเลยนะ สงสัยกรรมทำไว้หนักมันม า, มาพึ่งมาออกเนี่ยคือคือมันมันเข้าไปถึงข้างในว่ามันเป็นความรู้ที่ว่านี่ละนะมันไม่ใช่ของเราเพราะว่าสั่งมันไม่ได้เนี่ยเพราะมันเกิดกับตัวเองนะก็ได้มามาเข้าใจว่าขอคนที่เขาง่อยเปรี้ยเสียขาเนี่ยมันอย่างนี้เองเข้าใจแล้วก็เห็นใจเขามากนะว่าเนี่ย ทำอะไรก็ไม่ได้ทานข้าวข้างเดียวเพราะมันไม่กระดกไม่ได้เลยนี่ดีขึ้นแบบหมอบอกนี่แค่สองในห้านะเนี่ยมันมาแค่เนี้ยต้องทําอีกอาทิตย์หนึ่งอะไรอย่างเนี้ยเพราะท่านอาจารย์ว่าไงว่าอันเนี้โยมโยมไปคิดกรรมบ้านเนี่ถูกไหมฮะว่ายังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงแก่นนะการบ้านก็คือว่ามันเป็นที่พึ่งที่ไม่แน่นอนอที่เราไม่ควรฝา่า ตัวเราไว้กับมันกนวรจะเปลี่ยนหาที่พึ่งอันอื่นที่แน่นอนคือร่างกายนี่มันจะไม่สามารถเป็นเครื่องมือหาความสุขให้เราได้ไปเรื่อยๆมันจะต้องมีเวลาอย่างที่ชิบหายเนี้่ทยที่มันจะไม่สามารถทำหน้าที่หาความสุขให้กับเราได้อย่างที่เมื่อเช้านี้เทศบอกให้เปลี่ยนการหาความสุขแบบใหม่หาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกาย ให้ใช้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเครื่องมือหาความสุขจิตสงบคือทำตามคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอทำจิตให้สงบมีความสุขก็ไม่ต้องใช้น่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขพอร่างกายจะเป็นอะไรไม่เป็นอะไรเราก็จะไม่เดือดร้อนจะไม่ทุกข์ตอนนี้ทุกข์ไหมละ่ะอาจารยัง<อ>ใช้ร่างกายอยู่อันนี้นะแปลกมากคือว่าเออเออก็รู้ว่ามันเป็นนะแต่ว่า ก็คิดว่าถ้ามันจะง่อยไปตลอดชีพนะก็ปล่อยมันเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โกรธไม่อะไรเลยนะฮะไม่ได้กังวลน่ะหมอบอกว่ามันมีทางต้านานหน่อยนะท่านบอกนานนานานก็บอกเออนานก็นานจ้างไปเถอะเพราะว่ามันไม่ใช่ของเราถ้าเราไม่ต้องพึ่งมันเราก็ไม่เหลือน้อยก็มันยังมีอีกข้างนะเออมันก็ถ้าเกิดข้างเป็นจะทำไมก็นาเนยงก็คิดอยู่ แต่คนที่เขาเคยดูหรือคลิปเดีโอมีคนผู้ชายคนหนึ่งนะฮะเกิดมาไม่มีเลยทั้งทั้งมือทั้งไม่ต่ลลำตัวตรงนี้ก็ไม่ตรงนี้ก็ไม่ทราบเขาเป็นยังไงเนี่ยก็มีตรงนี้ก็มีต่ดต่อเนี่ยเกิดมาเป็นอย่างนั้นจริงๆโอ้ปาบอกว่าร่ำรวยนะคะเขาเขาเป็นนักพูดนะเขาบอกว่าชีวิตต้องสู้ never give up never give up in life เขาก็เชิญไปพูดให้กระตุ้นคนที่แบบจะฆ่าตัวตายสู้โลกไม่ไหวไอ้วกมี มีสองขาสองมือนะแล ย, ยังไม่มีปัญญาแล้วเขาเองล่ะเอาหน้าเขายิ้มมีความสุขว้น้ำยังได้เลยเว้ยถ้าเผื่อไม่มีเลยเนะี่ยโยมก็ต้องออหัดใช้เท้าป้อนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะยากหน่อยน ะ, ะแต่ก็แล้วแต่ บ, บุญกรรมใช่ไหม ะ, ะ, ะมันจะเป็นก็เป็นใ น, นที่สุดมันก็ต้องถึงจุดที่ว่ามันถ้ากินไม่ได้มันก็ตายใช่ คนที่ ต, ตานี้ก็กินไม่ได้กันทุกคนแต่ก็ยังทําสมาธิได้ก็ะจะดีตรงนั้นดีตรงที่ว่าไม่ทุกยังมีวิธีหาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายแต่ถ้าทําสมาธิไม่เป็นทําใจให้สงบไม่เป็นก็จะมีแต่ความทุกข์จนทนไม่ไหวก็ฆ่าตัวตายไปซะก่อนแต่อาจจะมีคนมาป้อนข้าวป้อนน้ำนะคะป้อนก็อย่างนั้นแหละป้อนก็เพียงแต่มันก็ทำนนให้คนเมตตา คือถ้ามีเงนินมีทองว่าจ้างคนได้แต่มันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะแก้ปัญหาอยู่ดีเพราะเดี๋ยวมันก็เงินหมดเงินหมดมันก็ไม่มีนคนมาป้อนเราอันนี้คือมันก็ต้องแก่เจ็บตายไปแล้วแต่ถ้าใจเราไม่ต้องพึ่งร่างกายเราก็จะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเรายังพึ่งร่างกายอยู่เพราะอพึ่งมันไม่ได้เราก็จะเดือดร้อน พยายามมาพึ่งใจมาสร้างพึ่งธรรมะกันดีกว่าเพราะธรรมะนี่เป็นของที่ไม่มีเสือ่อมไม่มีวันหมดถ้าลองเข้าไปอยู่ในใจแล้วมันจะอยู่กับใจเราไปเรื่อยๆเนี่ยภะละห้างเอ็นซีห้าพละห้างถ้ามีอยู่ในใจแล้วใจจะสงบตลอดเวลามีสติมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญา น, นี่แนะคือเครื่องมือที่พเจ้าบอกว่าจะทําใจของเราให้สงบให้มีความสุขโดยที่เราไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องพึ่งสามีไม่ต้องพึ่งใครนะั้นใครไม่อยากจะเลี้ยงดูเราปล่อยเราตายก็โอเคไม่มีปัญหาเลยแต่เขาเมตตายอยากจะเลี้ยงก็ปล่อยก็ทําไปแต่เราจะไม่ขอรลองเขาจะไม่รบควนเขาแต่ถ้าเขามีศรัทธามีความเมตตายอยากจะยืดอายุของร่างกายนี้ให้กับเราก็ยืดไป แต่เรานี่ได้ทั้งนั้นอยู่ก็ได้ไปก็ได้ไม่เดือดร้อถ้าเรามีพระห้านี้<ะ>อยู่ในใจเราจะมีความสุขตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรนี่ไม่สามารถมาทําลายความสุขที่เราได้จากพระห้านี้ได้อันนี้แหละที่เรามาห า, าศาสนากันก็เพื่อมาหาวิธีเจริญออินี N45 ให้กลายเป็นพระห้าขึ้นมา เมื่อได้พระละห้าแล้วทีนี้เราก็จะมีที่พึ่งที่แท้จริงทำบังสารนังกาฉามนี่คือพระละห้านี่โดยอาศัยได้มาจากพระพุทธเจ้าหรือได้มาจากพระอริยสงฆ์สาวกไม่ต้องไปไปพึ่งหูตาจมูก เ, เล่นกายเพราะว่าตานี่ก็พึ่งไม่ได้เหมือนกันนะทุกอย่างมไม่เทียงนั่นแนหะมันมีเสื่อมันต้องบอดไป มองมันเก่าแล้วมันก็ตาเนี่ยเดี๋ย ว, วาตามวัวโรคเหมือนกันนะมีโรคอยู่โรคหนึงสะเก็ดสะเก็ดเงินสเก็ดทองนะ<ม>พี่เคยเป็นนะเนขึ้นหัวนี่แล้วมันก็มาลงตา<ม>ดีว่ามีครีมอยู่ชนิดหนึ่งที่หมอใช้อ<ม>ก็หายบอดเกือบบอดน ะ, ะ<ม><ม>เพราะฉะนั้นพอพอพอมันโสดประสาทนี่มันหายไปตัว<ม>แล้วหูหนวเอกอีกตัวก็จบเลยก็เลยท่านมีแต่ถ้าเผื่มีมีพาราห้ามก็ไม่ต้องใช้ตาผมจะหนุบเล่นกาย มันก็เวลานั่งสมาธิมันก็หลับตาอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ฟังอะไรอยู่แล้วงั้นมันจะหูหนวกตาบอดก็ไม่มีปัญหาอะไรสำหรับคนที่ทำใจให้สงบได้คนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มีครูบาอาจารย์สอนอก็เนี่ยก็ต้องหาพระพุธประธรรมประสงค์ค่ะวันพระเป็นวันที่เราก็หาพระพุธระรมประสงค์กันเพื่อที่จะได้มาเรียนดูวิธีที่จะสร้างความสุขทางใจ ที่ไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นที่พึ่งเพราะต่อไปร่างกายวาเวลาจะพึ่งไม่ได้มันจะค่อดเสี่องไปทีละส่วนทีละส่วนแขนขาจะอ่อนเปี้ยลงไปตาหูจะจ ะ, จะมวหูจะตึงอะไรไปมันก็เป็นไปตามสภาพของความเสื่อมของร่างกายทุกคนถ้าเราไม่ต้องใช้ของเหล่านี้เป็นเครื่องมือหาความสุขเราก็ไม่เดือดร้อน อันนี้ให้คําถามทางบ้านแล้วนะถาบว่ามีเข้าวันนี้เข้ามาเท่าไหร่สามร้อยกว่าสาม้ยห้าสิบค่ะแต่สัญญาณได้ดีขออนุญาตค่ะขออนุญาตก็คือนอกจากวิธีที่แบบพาตัวมาที่วัดแล้วก็หาที่สงบเนี่ยมีมีอุบายไหนครับไหมคะที่จะกระชากใจที่ยังยังละความกังวลยังละ นึกถึงความตายเลยหน่อยถ้ามันยังนึกถึงความตายเรอยๆมันไม่รู้สึกอะค่ะนึกไปเรืไปดูศพเรื่อยถ้ายังไม่รู้สึกก็ไปดูศพมาคือจะมีวิบอุบายเดียวเลยเหรอะที่ต้องทําไมดูศพมันยากเย็นตรงไหนอยู่ในโรงฮะอยู่ในโรงก็ไปดูลงไปโรงพยาบาลก็มีสพาศพให้เราดูก็ไปดูศพแล้วก็ คิดว่าเนี voilà. pues ่ยศพนั่นก็เหมือนกับศพเราเนี่ยต่อไปเราก็ต้องเป็นอย่างนี้พอเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะไปกังวลครับถามมันว่าตอนนี้มันกังวลกับใครหรือเปล่าอ่ะอไปถามศพดูว่าตอนนี้มันกังวลกับใครมั่งหรือเปล่าต่อไปแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นก็ให้มันเป็นเแค่แต่ตอนนี้เมันคิดว่าเราเป็นศพไปแ้่ตอนตอนนี้สมมุติว่าเราตายไปวัน <Bizim>. นี้แล้วเราจะไปกังวลกับใครหรือล่าใช่ไหมคิดไม่เป็นของงีายกิรลสไม่ยอมไม่คิดของง่าย เอาตัวอย่างเขามามาเปรียบเทียบกับตัวเราแล้วสมมติว่าเราตายเราเป็นศพวันนี้แล้วเราจะไปทําอะไรให้ขับคาได้่ะแค่นี้มันก็หายหกาังวลแล้วแล้วไอ้คนที่เรกากังวลมันไม่เป็นศพแล้วต่อไปแล้วมันก็เป็นศพเป็นทั้งหมดอ๋อมันไม่คิดกั น, นคิดไม่เป็นยังไงพอคิดไปคิดมนาะมันเป็นศพไม่ต้งกังวลไปกังวลกับใครว่ะ แต่เป็นศพก่อนหรือศพหลังคิวใครก่อนคิวใครหลังนั่รุ่พอรุ่นแม่นี่ก็ไปกันหมดนอะมันก็เป็นศพมันทั้งหมดนะใัเมื่อพระเจ้าอยู่ห<ม>ัวของเราท่านก็เป็นศพไปล ม, มยมยมกังวลว่าพอเป็นศพไปแล้วเนี่ไปไม่ถึงไหนยังไปไม่ถึงห้องแรอร์พระอาจารย์นั่งกังวลมันก็ไม่ถึงมาสิเข <c oughs> <ๆ S 2> ไม่ให้นั่งกังวลด้วยหน่อยเขาให้นั่งปฏิบัติให้เจริญสติมานั่งกังวลเนาะมันบ้าหรือเปล่ากังวไม่ถึงห้องแอรอยู่นะ ก็ฝึกสติไปเสกพุดโธไปนั่งสมาธิไปนั่งก็ถึงมีเครื่องแอร์ไม่ยอมเปิดแล้วก็กังวลว่าเมื่อหลายห้องมันจะเย็นสักทีมันไม่มีวันเย็นอ่ะมีเครื่องแอร์แต่ไม่เปิดแอร์มัวแต่นั่งกังวลเขาใหนั่งสมาธิเขาไม่ให้นั่งกังวลเนี่ยมารานุสติเนี่ยสําคัญมากแต่ไม่ใช่วานานุสติแบบซื้อบื้อ เราจะตายเรา<ม>จะตายคิดแค่นี้มันไม่ได้หรอกมันต้องคิดว่าความตายนี่มันหมายถึงอะไรจะเราตายวันเนี้ค่าน้ําค่าไฟเราก็ไม่ต้องจ่ายนี่สินที่เราเป็นเรื่องต้องจ่าย <c oughs> ภรรยาสามี ก, ก็ไม่ต้องห่วงวนะันน่ะไม่ต้องห่วงนะเขาอยากจะไม่นอนกับใครก็เราก็ไม่ถึงน <c oughs> อนนะ <c oughs> คิดอย่างนี้แล้วมันมาตายแล้วดีเลยบายอะไรที่จะจะให้ความรู้สึกนี้มีมี มีความรู้สึกที่สูงผสมด้วยะค่ะสูงยังไงเนีคืออย่างเช่นถ้าเกิดเรามองว่าเ อ, อสามีเราตายเนี่ยเราจะรู้สึกสูงมากแต่ถ้าเกิดเรามองเออ่คนอื่นตายเราจะไม่รู้สึกมีอุบายที่จะ ม, มันสูงไหมก็เขาว่าสูงแปลว่าไงคือมันรู้สึกถึงใจะคะ่ะพอถึงใจแล้วมี ก็เพราะของมันของเรามันถึงมันถึงใจถ้าไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ถึงใจใช่ไหมแลนะ้ามันของไม่เป็นของเรามันตายไปเราไม่รู้สึกกัะอะไรเราก็ต้องมองของที่เราเป็นของเราตอนนี้ว่ามันตายหมดหรือเราตายจากมันหมดเด้เอครับ ไม่ไม่มีคำถามเลยค่ะเข้าเข้าใจ <laughs> เลยแอบแค่ว่าคือเออมันเหมือนกับว่าตัวเรายังไม่ดีคะะ่ะก็ต้องปฏิบัติให้ยก่งขึ้นเหมือนกับว่ามันแตกต่างจากเมื่อก่อนที่เรามองคนอื่นค่ะแต่ตอนนี้คือมันเหมือนกับตัวเราอะ่ะเราจะเห็นตัวที่ที่เลวของเรานเยอะมากค่ะก็พ<บ>ิจารณาไปตามก่อนเมื่อก่อนเราเห็นด้วยความหงลงเราก็จะเห็นว่าเราดี คือให้เรามองด้วยความจริงมันก็จะเห็นว่ามันไม่ดีแล้วก็ที่สำคัญคือว่าเราเราเราจะเรากับแม่เราอะไรเงี้ยค่ะพอความคิดมันบางครั้งมันงับไม่ทันแล้วมันก็ไปออกทางวาจาเราก็รู้สึกแบบทำไมเราแบบก็พยายามอะค่ะเราก็ต้องฝึกสติเใช่ค่ะสติเราเน้อยช้าก่อความคิดของเราความคิดมันไปก่อนต่อไปถ้าสติเราเร็วขึ้นมันก็จะทันกัน ว่มันจะพูดอะไรเราก็จะรู้ประก็ชน์มันได้ซึ่งก็จะแตกต่างจากเวลาที่เราอยู่กับกลุ่มเพื่อนหรือว่าผู้ปฏิบัติอลไรอ่าค่ะเราก็จะได้แต่พอเราก็จะเหมือนกับว่าเราเราจะรู้ไปตรงนั้นแล้วมันจบไปตรงนั้นแล้วพิซาตรงนั้นแล้วก็เราก็แค่แค่ได้ินตรงนั้นแล้วเราก็ไม่ไม่ออกไปแต่ถ้าเป็นแม่เราเนี่ยเป็นเป็นอีสั่งที่แบบเราต้องความผูกพันกันผูกพันกันมาแล้วมีความเกี่ยวข้องกันนานานมันก็เลย มันไม่มันได้มันไม่เดือมง่ายเหมือนกับคนที่เราไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรก็เราฝึกใจไปเรื่อยฝึกสติไปเรื่อยแล้วต่อไปสติจะไวกว่าความขึ้นเราเปนจะคิดอะไรนี่เราจะรู้ก่อนนะถ้าคิดไม่ดีเราก็หยุดมันได้แล้วก็เรียนกลับหลวงพ่อถามหลวงพ่อค่ะว่าคือว่าเวลาที่ปฏิบัติค่ะมันจะเป็นบางขณะที่มันเป็นเหมอนเหมือนกันว่าเรา เราเราลูกแล้วมันเสียกแล้วก็บางขนาดเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นเสียงเหมือนเราตกเหวอะค่ะค่ะแล้วก็แต่แต่ก็คือมันคือคือว่ารูปปฏิบัติแบบว่ากาหนดรู้หนอในตอนนั้นนะคะแล้วมันสัมผัสได้ถึงความกลัวใจที่มันสั่นสั่นมากก็เลยไม่รู้ว่ามันมันมันเหมือนกับว่ามันติดทางอยู่มันไม่ถูกไงมันไม่มี มันไม่มีตัวกํากับใจมันต้องมีสัตว์นต้องมีพุทโธไม่มีลมหายใจอยากให้หลวงพ่อช่วยชี้นะก็ยังไงให้ใช้พุทโธแล้วใช้ลมหายใจอยาไปกําหนดดูกําหนดดูนี่มันจะระงับความกลัวระงับอะไรไม่ได้แต่ถ้ามีพุทโธพุทโธอย่างเดียวนี่ความกลัวอารมณ์ต่างๆมันจะไม่เกิดหรือดูลมอย่างเดียวเอาอย่างได้อย่างไนึ่งดูลมก็ได้พุทโธก็ได้ชอบอย่างไหนก็อย่างนั้น <Okay. S 2> แล้วถ้าอยู่กอบอย่างนั้นแล้วมันจะคอยคุมอารมณ์ต่างๆ <Okay. S 2> ไม่ให้เกิดมันจะสงบอย่างสะอาดสงบอย่างสบาย <Okay. S 2> ถ้าไม่ถ้าผ า, าดูดูจิตเฉยๆเดี๋ยวมันก็เกิดอาการต่างๆนี้ขึ้นมา <Okay. S 2> พราสติเราไม่มีกำลังที่จะไปหยุดอารมณ์ต่างๆได้เรายังไม่มีกำลังพอเราเราต้องใช้พุโทโธมาเสริมสติ หรือใช้ลมหายใจเป็นตัวสร้างสติสามสติขึ้นมาไว้อยควบคุมอารมณ์ของเราแล้วก็จะมีขนาที่ที่ที่นวดเจ้าค่ะคือว่าจะหยิบของให้ลูกค้าเจ้าค่ะลูกไม่ได้ปฏิบัติอยู่แต่ว่าคือคือว่ามันมันเหมือนกับว่ามันขาดในช่วงนั้นคืออ๋อมันมันเหมือนมันมันุบมันวุบไปเจ้าค่ะแต่คือพอมันเหมือนกับว่ามัน มันอัตโนมัติตอนนั้นแล้วมันก็เหมือนกับรู้ตัวขึ้นมาแล้วก็งงว่าเมื่อเมื่อสักครู่นี้มันคือมันเหมือนกับอะไรก็ไม่รู้ก็นรู้ตามความเป็นจริงของมันไม่ต้องไปวิพากวิจารว่ามันเป็นอะไรอย่างไรรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วรู้ว่ามันผ่านไปแล้วเจ้ค่ะแค่นั้นเองมันผ่านไปแล้วใช่ไหมใช่เจ้าค่ะพอําตอนให้กลับมารู้ตัวเหมือนเดิม ตอนที่เผยตอนที่ไม่รู้ก็เลยว่ามันเป็นมันกับข่าวรถแปลงนาทีไปเจอหลุมเจบอบ่อมันผ่านหลุมบอ่อไปแล้วก็กลับมาอย่าอย่าปล่อยให้มันตอ ก, ลตกหลุมตอกเข็มไปกับเหตุการณ์นั้นก็ลกนแล้วกันเราคนเอาเหตุการณ์นั้นมาลากจูงให้กายเป็นให้ไปตลิดเปิดเปลองออกออกนอกรูนอกทางไปยาวมาคิดต่อให้รู้แล้วก็ปล่อยวางว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็มันผ่านไปเรากกลับเข้ามาอยู่ที่ถนนคืออยู่ที่สติอยู่ที่ ความปกติอยู่ที่ความสงมบมว่าล่ะคำถามจากพี่ต่อพลังจิตเกิดจากอะไรการปฏิบัติหรือการทำบุญสะสมหรืออื่นๆครับก็เกิดจากหลายอย่างนะ ก, การทำบุญนี่ก็เป็นการสร้างพลังจิตขึ้นมาแต่บุญต่างชนิดก็มีความสามารถ ในระดับที่ต่างกันทานก็สร้างพลังจิตขึ้นมาศีลก็สร้างพลังจิตขึ้นมาสมาธิก็สร้างพลังจิตปัญญาก็สร้างพลังจิตยมันก็ต้องก้าวจากของที่ง่ายขึ้นไปสู่ของที่ยากก่อนทําทาง น, นี้มันง่ายกว่ารักษาศีลรักษาศีลมันง่ายกว่าการทาใจให้สงบเป็นสมาธิ การทำใจสมองเป็นสมาธิก็ง่ายกว่าการที่จะสร้างปัญญาขึ้นมาแต่การจะสร้างปัญญาได้ก็ต้องมีกำลังในระดับสมาธิก่อนการจะสร้างสมาธิขึ้นมาได้ก็ต้องมีกำลังระดับศีลก่อนการจะสร้างศีลขึ้นมาได้ก็ต้องมีกำลังระดับทานก่อนการจะสร้างกำลังของทานขึ้นมาได้ก็ต้องมีกำลังสร้างเมตตาขึ้นมาก่อน เมตตาเนี่ยเป็นจุดกอไก่ขอไข่เป็นอนุบาลเ<ม>พราะมันง่ายเพียงแต่คิดในชะ่ไหมถ่ายเมตตากันอยู่ด้ว่อยใช่ไมมอยู่นั่งคนเดียวสวดสัตเทสัตตามัอ น, นอยู่ที่ใจเราท่านเองให้ใจเราคิดถึงถึงความดีต่อผู้อื่นคิดดีกับผู้อื่นให้สอนให้ชิดดีท่านเองอันนี้ก็เป็นการยังไม่ได้แผ่นะตอนที่อยู่คนเดียวเนี่ยเป็นการทําการบ้าน ต่อไปนี้เราต้องคิดดีกับคนอื่นไม่คิดได้กับคนอื่นนี่คือความเมตตาพอเราคิดอย่างนี้เรื่อยๆเราจะจาได้พอเราไปเจอใครเราก็จะคิดดีพอจะคิดได้บอกให้ไม่ได้นะเราต้องคิดดีเราต้องแผ่เมตตาถ้าเราคิดดีได้เราก็จะทำฐานได้ใช่ไหถ้าเราคิดออสงสาร เ, เขาเนะเขายิ่เดือดร้อนกับเราเราสบายกว่าเขาเราเสียสะระวนนี้ไปให้เข า, เาก็ไม่เดือดร้อนอะไรมันก็จะทำให้เรา สามารถทำทานได้ทำทานได้ก็จะมีกำลังมากขึ้นคนที่ทำทานไม่ได้ชนัะว่ายังไม่มีกำลังใช่ไหมยังไม่มีความเมตตายังมองคนในร่าในแง่ร้าอยู่ก็เลยทำทานไม่ได้เหมือนตอนต้นเราต้องมองคนในแง่ดีมองว่าเขาเป็นเพื่อนกันเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนนเปนเอ็อ่เป็น คนเป็นเพื่อนดีกว่าเป็นศัตรูให้คิดอย่างนี้เป็นศัตรูแล้วมันจะสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้ต่อกันละกันสู้เป็นมิตรกันดีกว่าเรามาสร้างมิตรกันดีกว่าเขาสร้างยูเอขึ้นมาเพื่ออะไรเพือ่อให้ประเทศทั้งหมดนี้ที่อยู่ในโลกนี้มาเป็นมิตรกันแต่มันก็มาตีกันมาทะเลาะกันในยูเอ็นเองเพราะมันไม่คิดดีกันมันคิดต่เอาเอาประโยชน์ใส่ตัว นี่มันเราอยู่ในโลกนี้เราแมเราความจริงเนี่ยเรามีเรามีประโยชน์พอเพียงอยแล้วโดยที่ไม่ต้องไปเบียดเบียนไม่ต้องไปคิดร้ายต่อผู้เพียงแต่ทำใจเราให้ไม่โลภเท่านั้นเราก็อยู่ได้นะไม่ต้องมีอะไรก็อยู่ได้แต่มไม่รู้กันเนี่ยฉนั้นขั้นต้นนี้ต้องหัดคิดให้มันเกิดความเมตตาขึ้นมาคิดถึงหัวของเขาหัวของเรา เราอยากให้คนดีกับเราแล้วเราอยากให้คนเขาร้ายกับเรา<ม>เขาก็เหมือนเรา <ส Wong. S 1> เขาก็อยากให้เราดีกับเขาไม่ร้ายกับเขา <Wh> เราก็ไม่อยากให้เขาร้ายกับเราเราอยากให้เขาดีกับเราเราก็ไปดีกับเขาไสิพอเราดีกับเา <oui S 2> <otes. S 1> ขาเดี๋ยวเขาก็ดีกลับมาเองใช่ไหมถ้าก็ไม่ดีก็ช่วยไม่ได้เมันเป็นการเป็นกรรมของเขาแต่เราดีซะอย่างเราดีแล้วเราไม่ขาดทุนเขาไม่ดีเขาขาดทุนเพราะผลของดีหรือร้ายมันไม่ได้เกิดที่ ที่ไหนมันเกิดที่ตัวเราเองแล้วการดีร้ายของคนอื่นก็ไม่ได้มาทําให้เรามีผลในกับใจของเราแต่การดีร้ายของเรานี่ต่างหากที่เป็นตัวที่ทําให้มีผลกับใจของเราถ้าเราดีใจเรามีความสุขถ้าเราร้ายใจเรามีความทุกข์ให้คิดอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่อยากจะคิดร้ายกับใครจะอยากจะคิดแต่ดีคนที่คิดดีก็จะมีมีแต่มิตรมีแต่เพื่อน แต่พระเจ้าบอกคนที่มีเมตตานี้เป็นจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะไม่ตายด้วยอาวุธด้วยยาพิษเก็จะไม่มีใครจะมาคิดฆ่าเราให้คิดอย่างนี้อยไม่ใช่จะคิดว่าเราดีกับเขาแล้วเขาจะต้องดีกับเราถ้าเขาไม่ดีกับเราเราจะเริ่มไม่ดีกับเขางนี้ผิดแล้วเราต้องดีกับทุกคนไม่ว่าจะเขาจะล้ากับเราหรือดีกับเราแล้วพระเยซูเปน อหันหน้าไปทางซ้ายแล้วหันหน้าทางขวาต่อเอาไปข้างนั่นแนหะทางศาสนาคุยกันบอกให้อภัยเอาเวลาหงุดหไม่ให้จองเวรจองกรรมกันให้คิดดีเสมอเขาทำร้ายเราขนาดไหนเราก็อย่าไปคิดได้าอย่างครั้งหนึ่งเนี่ยมีเหตุการณ์มีตอนนั้นเราทะเลาะกะะับขมินแล้วเขะมินก็ไปเผาสถานทูตไทยใช่ไห ม, <c oughs> มนี้พี่ไทยเลยก็อยากจะเอาตอบโต้ จะไปเผาสถานทูดของกัมเณนะในหลหงน้องมาบอกว่าตอนนี้เราดีนะเราไม่ได้เผานะถ้าเราไปเผาเร า, เราก็เราก็เดงเท่าเขาเลยให้เสติเห็นไมใอ่ไหมถ้าคนไม่มีเมตตาก็าเผามันเลย <c oughs> ใช่ไหมฟันต่อฟันตาต่อตาพอเราเผามันมันก็ไปเผาที่อื่นต่อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ฆ่ากันเป็นสงครามใหญ่ขึ้นมาพอเราไม่เผาสถานทูดเขามันก็จบ บางทีเขาก็ไม่มีเจตนาอยากจะให้เผานี่มันเป็นเรื่องของ้คนที่จะหาเรื่องสร้างเรื่องขึ้นมาตัวรัฐบาลเองเขาไม่มีอยากจะมีเรื่องกับใครหรอกใช่ไหมมันก็เนี่ยถึงบอกว่าเราตอนนี้เราอยู่เฉยๆเรายังดีอยู่นะเขาดา่าเรานี่เขาเลวแล้วแต่ ถ, ถ้าเราไปด่าเขากลับเราก็เลวเท่าเขาอ่ะใช่ไห ม, มเราอยากจะเลวเท่าเขาหรือเปล่ววาไม่เราก็อยู่เฉยๆ แล้วพูดดีๆกับเขาไม่เป็นไรพี่ได้ยังได้ยังดีกำลังทำข้อสอบอยู่ก็ดีมีาหมคำถามจากคุณสุขรัฐเมื่อเริ่มหัดปฏิบัติมีข้อสงสัยมากมายอยากรู้อยากเป็นอยากเห็นปัจจุบันมันลดลงจนไม่ทำให้จิตเราสับสายเป็นเพราะอะไรเจ้าคะ ก็เพราะรู้มากขึ้นเพื่อเห็นความจริงมากขึ้นความสงสยัยความอยากรู้อยากเห็นมันก็น้อยลงแล้วมันจะรู้ว่าถ้าอยากจะรู้อะไรก็ไม่ต้องไปถามใครปฏิบัติเอาเองของโมนี้มันต้องปฏิบัติมันื่องทีเห็นได้อย่างที่พูดสิ ป, ปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นไปถามใครถามใครเขาตอบให้เราฟังมันก็ยังไม่หายสงสัยอยู่ดีก็ยังมีสงสัยอย่างอื่นขึ้นมาอยู่นั่นแต่ถ้าไปปฏิบัติภาพเห็นปุ๊บด้วยตัวเองด้วยตาของตัวเอง หายสงสัยหมดเลยไม่ต้องถามให้เหนื่อยยากกับเาเนี่ยพอพอได้เริ่มปฏิบัติแล้วความสงสัยมันจะน้อยลงความอยากรู้อยากเห็นอยากจะถามเนีอยากใครมันน้อยลงถ้าอยากจะรู้อะไรก็ปฏิบัติไปเองดีกว่านอกจากไม่รู้จักวิธีปฏิบัติท่านนั้นนหะถึงจะต้องถามแต่ถ้าอยากจะรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นได้อย่างไรความสงบสงบอย่างนั้นอย่าไปถามมันเสียเวลานะเรา Bose. ต้องเห็นเองมันถึงจะหายสงสยัย เรามักจะไม่ค่อยชอบตอบเรื่องของผลเท่าไหร่เราจะตอบเรื่องของเหตุนะเหตุก็วิธีการปฏิบัติแต่ผลนี่มันต้องสันติโกต้องสัมผัสด้วยตนเองแล้วมันจะได้ไม่ต้องสงสัยจะไม่ถามใข่ถ้าไม่ใช่นั้นมันก็ถามอยู่เรื่อยสงบเป็นยังไงเดี๋ยวก็ถามแล้วสงบเป็นยังไงรวมเป็นยังไงถามอยู่นั่นตอบไม่รู้กี่ครั้งแล้วมันก็กลับมาถามใหม่ แต่ถ้าเราได้สงบสักครั้งเดียวไม่ถามเลยคำถามจากคุณจำใจหากไปประมูลบ้านที่ถูกบังคับคดีขายทอดตลาดซึ่งอาจจะมีคนใช้อาศัยอยู่จะเป็นบาปหรือไม่คะไม่บาปหรอกมันเป็นเรื่องของออทางกฎหมายเรื่องของกฎกติกาของสงังคมบ้าน นี้ไปยืมเงินเข้ามาซื้อบ้านแล้วไม่มีเงินจ่ายเขาเขาก็เลยต้องเอาบ้านคืนไปแล้วเขาก็จะเอาไปขายคนซื้อก็ซื้อของที่ถูกกฎหมายซื้อของที่ถูกศีลธรรมคนที่อยู่บ้านเนี่ยเป็นคนผิดไม่ยอมย้ายออกดื้อแพ่งใช่บ้านไม่ใช่ของตัวนั้นหนอยัยงยังด้านอยู่ น, นก็อ้างว่าไม่มีที่อยู่ ก็อ้างไปได้แต่คนเรามันต้องยอมรับความจริงกันบ้างไม่มีที่อยู่ก็ไปอยู่ที่ไหนก็ได้ไปหาที่อยู่ให้มันมีศักดิ์ศรีหน่อยอย่าทำตัวเองเป็นเหมือนกับมันไม่ถูกอ่ะมันไปเอาของคนอื่นมาใช้เป็นของตนเองแล้วพอเขาจะมาเอาคืนก็ไม่ยอมคืนเขา อ, นนอันนี้มันก็พูดแบบนี้มันก็อาจจะรู้สึกว่าไร้ความเมตตา อันนี้พูดตามหลกักความแหกหลักของเหตุของผลพระเมตตาก็ต้องเป็นคนที่เขาซื้ออะซื้อมาแล้วก็ให้มันอยู่ต่อไปไม่มีใครซื้องั้ก็รัฐบาลซื้อเลยรับาลซื้อแล้วก็ให้เขาอยู่ต่อไปคำถามจากคุณสีดาถ้าเรายังฟุ้งอยู่เราต้องทําให้มีสติอยู่กับในการภาวนาพุทโธให้มีสติก่อนใช่ไหมคะ ถ้าไม่มีสติมันก็หยุดความฟุ้งไม่ได้มันรถที่ไม่มีเบรกจะไปหยุดมันได้ไหมก็ต้องต้องไปหาเบรกมาติดเนี่ยมาติดเบรกแล้วปั๊บต้องการจะหยุดเมื่อไหร่ก็หยุดได้ทันที อ, อีกสองสามคำถามนะคำถามจากคุณสุข a r a ก่อนปฏิบัติมีแต่ทำไมเต็มหัวไปหมดหลังลงมือปฏิบัติคำว่าทำไม่ลดลงเกือบหมด มีแต่คำว่าเข้าใจและยอมรับความเป็นไปของสรรพสิ่งทั้งหลายมันเบากายเ <c oughs> บาใจมากจริงๆเ จ, จ, จ้าค่ะถึงจะไม่ชอบแต่ใจและกายมันก็ยังเบาไม่เหมือนก่อนปฏิบัติถ้าไม่ชอบเมื่อไหร่มันหนักทั้งกายและใจขาเล่ายฟังค <c oughs> <c oughs> ่ะเขาเายฟังก็ดีสาธุอเ น, นี่ยเห็นไ้อนสงของธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติค <c oughs> าถามจากคุณน้องใหม่ข้อที่หนึ่ง ทุกวันนี้นั่งสมาธิกับ <c oughs> ลูกขหกขวบเพื่อให้ลูกใจนิ่ง <c oughs> มีสมาธิเรียนหนังสือโดยให้เขานับพุโทโธหนึ่งพุโทโธสองพุโทโธนับเลขต่อเนื่องไปเรื่อยๆการพูดในใจแบบนี้ถูกต้องไหมคะก็ดีเลยเป็นการจะให้เด็กมีสติข้อที่สองวิธีที่ดีหรือถูกต้องกว่านี้มีไหมคะหรือ <c oughs> มีวิธีใดบ้างที่เหมาะสมกับเด็กเล็กแบบนี้คะก็ <c oughs> แล้วแต่นะมันก็มีหลายวิธีก็ลองวิธีไหนที่มันได้ผลก็เอาวิธีนั้นก็แล้วกันข้อที่สามคนที่บ้านจะให้ไปแก้ปีชงเขาเชื่อแต่เราไม่เชื่อเรื่องนี้จะทำอย่างไรคะก็ปล่อยเขาเชื่อไปจะไม่ทำยังไงเพราอยากจะเชื่อเขาปล่อยเขาเชื่อไป อ, อีกหนึงข้อคำถามจากคุณป๋อม มีวิธีใดที่เราจะลดละอัตราและสามารถบอกให้คนรอบข้างปฏิบัติตามได้บางครั้งเมื่อต่างคนต่างมีอัตราเกิดขึ้นควมไม่เข้าใจก็ยิ่งมากขึ้นค่ะคือคนอื่นเราไปบอกเขาไม่ได้ให้เขาทาไม่ได้เราต้องทําเราดับบอกตัวเราเองได้เท่านั้นคือเราต้องคิดว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมายก็แล้วกันยอมแพ้แล้วเราก็จะได้เป็นพระเป็นคนดี เขาชนะเขาก็เป็นมารเขาอยากจะเป็นมารก็ปล่อยเขาเป็นมารไปเราก็เป็นพระนี่ไทําตัวให้เป็นแจ๋วทําตัวให้เป็นพระที่เิี้ยวนี่คือการลดอัตราตัวตนอย่าไปเอาแพ้เอาชนะกันความแพ้ความชนะมันมีอยู่ของมันอยู่แล้วความถูกความผิดมันเป็นของมันอยู่แล้วไม่ต้องมาเถียงกันเถียงกันมันก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนความผิดความถูกแต่อย่างใดแต่ที่เราแพ้นี่เราไม่ต้องการ เราไม่ได้เปลี่ยนความผิดความถูกที่เราแพ้นี่เราต้องการหยุดการต่อสู้กันจบแล้วใช่มไหมพอแล้วไม่ไหวแล้วหมดแรงพอดีหมดเวลาก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา <c oughs> ขอให้ท่านจรงนามเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเ <c oughs> พื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าเลยทำยิ่งขึ้นไปเธอ อาจารย์นีอาจารย์ไม่เหนื่อยนะคะอาจารย์ายูไเกื่อยไอเกลือเป็นต้องเกลีเต็มมือแล้วยังจะมาเอาด้ายเลยที่ล้ลูกค่ะนี้มันเกิดโยมนะมันเกิดโยมเนี่ยมันเกิดร่างกายของโยมร่างกายของโยมหระร่างกายของโยมค่นมันเกิดของคนใช้มาถ่ายลูปทำไมนี่ถ่ายลูกให้คนใช้รูปอ่ะอืมออ ร่างกายมันตัวเราของเราที่ไหนนะเจ๊จไ๊ไม่รู้ว่า<ะ>มันเป็นคนรับใครเรามันก็ไม่รู้เรื่องมัไม่รู้เรื่องแต่ว่า